มีกรรมมีจิตมีอุตตุเป็นปัจจัยเรียกว่ากรรมะปัจจะยะอุตุหรือว่าจิตตะปัจจะยะอุตุุหรืออาหาระปัจจะยะอุตุุหรือสุดท้ายก็อุตตุปัจจะยะอุตุเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือเป็นอุตุชรูปเท่านั้นเองแต่ว่าในส่วนเบื้องลึกของผมแล้วก็คือมีกรรมเป็นสมุทฐานคนก็มีกรรมเป็นสมุทฐานเล็บก็มีกรรมเป็นสมุทฐาน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 แต่ในขณะเดียวกันนั้นพระผู้มีพระภาคสั่งสมพระบารมีธรรมนาแล้วพันบารมีที่พระองค์ทรงบ่มอ บ, บรมเจริญสั่งสมมาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกัปมาชาติสุดท้ายพระองค์ก็เจริญธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงเจริญเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเลยที่ชัดเจนมากบางแห่งท่านก็บอกว่าโพชง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 ชาติปิทุกขาก็คือผลของกรรมชราปิทุกขาส่วนหนึ่งก็เป็นผลของกรรมมรณะปิทุกขังไอ้มรณะส่วนหนึ่งก็ผลของกรรมจุติจิตเป็นผลของกรรมไหยอ่าก็ผลของกรรมอีกนั่นแหละทุกขากายวิญญาณก็เป็นผลของกรรมแต่โศกะนี่ทํากรรมใหม่นะทั้งส่วนหนึ่งชีวิตของเรานั้น่ะแยกไม่ได้เลยก็คือตัวกรรมคือมีอยู่มากแม้แต่ชีวิตตรูปชีวิตตรูปนั้นเป็นกรรมม่ชรูป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 สามารถย่ำยีเสนาของข้าศึกได้พระองค์นี้ทรงชนะโดยธรรมโดยเสมอมีต้องใช้อาจยามิต้องใช้สาตราครอบครองแผ่นดินมีสาครเป็นขอบเขตบ้านเมืองของพระเจ้าจักรพรรดินะมีทะเลเป็นเครื่องกั้นอะ <c oughs> และก็มิได้มีเสาเขื่อนไม่มีนิมิตไม่มีเส้นน้ำโอ้ข้าศึกศัตรูไม่มีแม้แต่คนเดียวว่างั้น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 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงนี้ก็เป็นมหาพุทธลักษณะของพระมหาบุรุษสามมีส้นพระบาทยาวสมีพระองคุรียาวหามีฝ่าพระหัตและฝ่าพระบาทอ่อนนุม่มหมีฝ่าพระหัตฝ่าพระบาทมีลายประหนึ่งตาขา่ก็คือเป็นคล้ายๆตารางหมาฮออ่นะในฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยเจด็ดมีข้อพระบาทลออยู่เบื้องบน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 ยึดมั่นไม่ถอยหลังนะไม่ถอยหลังในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตการบำเพ็ญทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถในการปฏิบัติ ด, ดีในมารดาบิดาในสมณพราหมณ์ในความเป็นผู้เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและในธรรมะในอธิอุสนอื่นๆก็คือพระ อ, องค์ก็ย้อนว่า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 ทำไม่บริบูรณ์ขนาดนั้นเนาะแต่ก็มีบุญเหมือนกันนะเท้าไม่กุดกระแสว่าใช้ได้แล้วเนาะพระมหาบุรุษยินดีแล้วในสัจจะท่านก็ประพันธ์เป็นคาถายินดีในสัจจะก็คือวจีสัจจะในธรรมะท่านตั้งมั่นในกุศลกรรมบดในการฝึกตนพระมหาบุรุษนั้นเป็นผู้ที่ฝึกอินทรีย์ฝึกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ไหลไปกับบาปอกุศล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 ไม่ว่าจะเป็นตอน่อหนากรวดกระเบื้องอุจจาระปัสวะน้ําลายน้ํามูกเป็นต้นหรือของที่มีแต่ก่อนหลีกไปหมดหรือหายเข้าไปยังแผ่นดินในที่นั้นๆทั้งหมดก็บอกว่ามหาปัาปีนี้เสมอดารดาษไปด้วยดอกไม้นะเหมือนกับดอกไม้แรกเย้มย่อมมีขึ้นด้วยเดชแห่งศีลคือเดชของศีลที่พระองค์ได้ทรงบําเพ็ญมาด้วยบุญยเดชด้วยธรรมเดช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 ก็คิดดูว่าเห็นปั๊บโกรธทันทีเลยเพราเราไม่ชอบแบบมันสะสมมานานขนาดไหนใช่ไหมเห็นปั๊บไม่ชอบใจทันทีเลยอ่ะคิดดูเห็นปั๊บชอบทันทีเลยมันเป็นลักษณะนเนี่ยความสั่งสมมานี่มันมากมายแล้วเฉพาะวันนี้นะโยมทํากรรมไม่ใช่น้อยเลยนะสมมุตินะทางทางตาปั๊บเห็นปั๊บนะจิตเห็นอ่จาจักขูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะโวธัพนะพวกนี้เป็นชาติวิบากและกิริยาชาวนะเจดวงพึบทันทีทำกรรมใหม่ละ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 นะการแต่งให้มีลักษณะแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นข้อความในลักษณะสูตรทีคณิกายปาติกวัตรกล่าวว่ากล่าวต่อจากที่แล้วดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนละปานาติบาตแล้วเว้นขาดจากปานาติบาตแล้วนะก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ายางเดียวได้บุญไหม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 ทีนี้เราต้องเอาว่าขณะนั้นๆวีรตีเจตสิกเกิดขึ้นไหมกุศลจิตเขาเกิดขึ้นไหมถ้าวีรตีเจตสิกไม่เกิดนะกรุณาเจตสิกเกิดขึ้นไหมเพราะว่าเว้นขาดจากปานาติบาตนั้นแสดงว่าคนนั้นเนี่ยวางอาทยาวางศาสตรามีความละอายมีความการุณาต่อสัตว์นะมีความเห็นใจต่อสัตว์อนุเคราะห์สัตว์อะคืออยู่ในฐานะที่จะฆ่าได้แต่ไม่ฆ่าสงสัยมัน้น ขันศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นศีลเนี่ยส่วนหนึ่งอาศัยการุณาเจตสิกเป็นเป็นตัวเกื้อกูลกระตุ้นเตือนเหมือนกันส่วนหนึ่งบางคนอาจจะ ก, กรรมมสกตามมากเห็นโทษของกรรมปัญญาตัวนั้นแหละจะทำให้เกิดโอตะ ป, ปะสะดุ้งกลัวต่อบาปบางคนก็บอกอ้ศึกษามาธรรมะจนป่านนี้ยังมาฆ่าอีกเหรออันนี้เขาเรียกฮิริเกิดมีกำลังบางคนเนี่ยโอตะ ป, ปะเกิดมีกาลัง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 พระองค์ได้ทรงประพฤติมาคือกุศลจิตอันนั้นนะทั่วไปบางทีนี่พอใช้คําว่าไม่ฆ่าปั๊บนะคิดถึงภาพนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ย น, นั่งร้องรําทําเพลงไปกน็นึกว่าฉันมีศีลแล้วละ่ะขณะนั้นนั้นไม่ใช่นะต้องขณะที่ตั้งใจสังวรสำเรวมระวังขณะที่ปารภในการงดเว้นกุศลศีลจึงจะเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นั น, น, นกุศลศีลตัวนั้นแหละที่พระองค์สั่งสมพอกปูนภัยบู์มาก็ทําให้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 เาเจตนาไม่ไร้ผลใช่ไหมตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจตนามีผลเสมอไปนั้นเจตนานั้นแะที่ก้มก้มจะไปฆ่าเขาก็ทำให้ค่อมเลยทำให้โค้งขึ้นมาหรือว่าเป็นคนแครหรือเป็นคนที่การโลกพร้อมด้วยเทวโลกจงรู้ความที่พระตถาคตเสด็จไปอย่างนั้นไม่ถูกผู้อื่นฆ่าด้วยเหตุนี้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 ู้คนอื่นฆ่าด้วยเหตุนี้เป็นผู้มีนิ้วมือสั้นนิ้วเนี่ยสั้นมีมือสั้นมีนิ้วงอหรือมีมือแปรนะคนที่ทำกรรมมาประเภทใช้นิ้วในการประหัตกระหารคนอื่นใช่ไหมก็จะทำให้นิ้วนั้นอะตามสมควรแก่แก่กรรมนั้นด้วยนะเช่นใครเคยเห็นนิ้วนิ้วคนเนี่ยมีหลากหลายนะถ้าถ้าเรารู้จักคนเยอะๆบางคนเนี่ยมีนิ้วถึงหกนิ้วกว่ามีนะบางคนเนี่ย กดไปทั้งสามนิ้วกว่ามีบางคนนี่ก็ด้วนไปทั้งเยอะกว่ามีเพรา ะ, ะนั้นมันเป็นนิมิตเป็นตราแห่งกรรมนั้นคนที่นิ้วงามๆก็แสดงว่าเหตุมาดีแสดงว่าไอความคิดร้ายๆแบบนั้นไม่มีแต่ถ้าคนคิดไม่ดีหรือไปทําเหตุประเภทนี้ไว้ก็ก็ทําให้นิ้วไม่งามขอนํามานี่นิ้วง อ, งอๆอยู่อันหนึ่งเลยทําเหตุแล้วก็จะว่าชาติที่แล้วเลยชาตินี้มาก็ฆ่าไม่รู้กี่ตัวแล้วปลาเนี่ยคืนเป็นสิบๆตัวเหมือนกันทําบาปมาเยอะ ถ้าไม่รีบนี้เนี่ยตกในรกยังไงเลยเนี่ยทํากุศลทุกวันเนี่ย ก, กวนรกนนนนกันแหะเนี่ยฟังเขาคนโน้นจะตายแล้วอตายทีเป็นพันเนี่ยเออเราก็ตายเหมือนกันทีนี้ตายแล้วจะไปไหนน้องั้นอันต้องรีบเจริญกุศลเอาไว้เยอะๆนะกุศลเนี่ยเป็นเหมือนมิตรแท้ะนะสาห่ายแท้อาคุศลเนี่ยเป็นมิตรมิตรปฏิรูปก็ว่าคนเทียมมิตรนะนะึ่งงั้นอันอาคุศลแ จ, จิตพอเกิดขึ้นในใจเราก็มันกระซิบเรานะเหมือนกับเหมือนกับหวังดีกับเราแลยอย่างนี้สิอย่างงั้นสิ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 เชื่อว่าลักษณะความเป็นผู้มีอายุยืนเป็นอนิสง์แห่งลักษณะนั้นนะอณิสงแห่งลักษณะที่มาจากการงดเว้นจากการฆ่ามีผลไม่ธรรมดาอ่าถ้าหากว่าผู้ที่มีมหาบุริษลักษณะคือมีส้นพระบาทยาวมีพระองค์คุรียาวมีพระวรกายดังกายพรหมมหาบุรุษนั้นถึงพร้อมด้วยลักษณะเหล่านั้นหากครองเรือนจะเป็นพระราชาจากักรพรรดิ ถ้าเป็นพระราชาจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระชนมายุตั้งอยู่ยืนยาวนะคนที่มีลักษณะอย่างนี้เป็นนิมิตบอกโอ้คนนี้ยอายุยาวนะส้นเท้าบาดยาวนิ้วยาวมีกายเหมือนกายพรหมเนี่ยนะอายุยืนว่า้นนะทรงรักษาพระชนมายุยืนยาวไม่มีใครที่เป็นมนุษย์เป็นข้าศึกศัตรูจะสามารถปลงพระชนชีพในระหว่างได้นะคืออายุไม่สั้นนะั่นไงเถอะ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 แตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนกำเนิดก่อนเป็นผู้สงเคราะห์ประชาชนด้วยสังหะวัตถุสี่ประการก<ม>็คือวัตถุเป็นที่สงเคราะห์สี่ประการนั้นก็คือด้วยการให้และก็คือการให้ปันการแบ่งข้าวของให้แล้วก็ต่อไปก็ด้วยการกล่าวคำอันเป็นที่รักปิยวาจาการกล่าววาจาอันเป็นที่รักด้วยการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์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 ฐานธมานสี่อภิสังขารมานสุดท้ายมัจจุมานและไอ้มัจจุนี่ครอบงาเราหรือเปล่าข่าวสะเทือนใจเนี่ยเยอะนะจิตจิตนี่มันใกล้ๆหูนั่นแหละนานๆเข้ามันก็ใกล้จมูกด้วยนะมัน ฟ, ฟิดๆได้ชักได้กลิ่นนะเคยไปงานศพหรือเปล่านันแหละได้กลิ่นด้วยอ่ะแล้วพระองค์เป็นพระชินาะอย่างนี้พระองค์ก็ยังตรัสทำมกถา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 จนได้ตรัสรู้จริงๆ อ, ะอ่ะเาเรียกว่าพิจารณาจนสมควรใคร่ครวนพิจารณาเพ่งหรือปริญญาสามในขันธาตุอายตนะจนได้รู้แจ้งอรยิยสัจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่แก่ธรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในธรรมะประเภทโสตาปฏิยังคธรรมเาเรียกว่าเป็นธรรมะอยู่ในองค์ที่ทำให้บรรลุเป็นพระโสดาบันมีอยู่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 ไล่มาก่อนว่าศีลมีกี่อย่างความบริสุทธิ์ของศีนมีสีอย่างหนึ่งปฏิโมกสังบอนสองอินทรียสังบอนสามปัจจะยสันนิสีตศีนสีอาชีวปาลิสุทิศีนเออเมื่อเห็นอย่างไงแล้วศีลสีอย่างบริสุทธิ์เนี่ยในชั้นต้นเลยนะศีลสิกขาต้องเกิดก่อนหรือไม่คนนั้นต้องศีลสิกขาบริบูรณ์มาแล้วเพราะเห็นเห็นอย่างไรศีลสิกขาจึงจะบริบูรณ์ สมมุติมองเห็นแป๊บเนี่ยคิดค่ามีไม้อย่างเงี้ยใช่ไหมประเภทประเภทอะไรศีลประเภทข้อหนึ่งนะศีลสังวรจะเกิดขึ้นต่อไปสติสังวรเห็นยังไงใจไม่เป็นบาปอะ่ะเห็นอย่างไรใจไม่เป็นอภิชาและโทมนัสไม่ถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะก็คือเห็นแล้วกุศลกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ทีนี้ต่อไปเป็นปัจจะยะสานิสีตศีลเห็นยังไงแล้ว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 จะไม่มีอะไรบ้างพิจารณาพวกนี้มากๆเจริญพอกภูณนนิเป็นอธิจิตตะสิกขาเมื่อพิจารณาธาตุสีนี้มากๆขึ้นจะเห็นว่าธาตุสี่เนี่ยแม้แต่ผมมีสมุทฐานสี่เริ่มไปหาเรื่องกรรมพวกนี้เริ่มเป็นเป็นประเภทยาตะปริญญาผมก็ไม่เที่ยงเป็นต้นก็เป็นตีรณะปริญญาทีนี้ก็จะละวิปลาสในสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะเป็น ปัญญปริญญาท่านปริญญาหรือศิกษาจะบริบูรณ์ได้ด้วยอาการอย่างนี้โอเห็นสักด์แต่ว่าเห็นก็นั่งกระพริบตาเฉยๆเออดีจะได้ดีกับเขาบ้างไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นในการเห็นการได้ยินปั๊บถ้าเป็นเป็นไปกับคําสอนนั้นต้องสงเคราะห์ลงศิกขาสามต้องสงเคราะห์ลงมัชฌิมาปฏิปทาเพราะข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติสายกลางคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้น ผัสสมาที่ที่ในเบื้องต้นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของกรรมเข้าใจในเรื่องของกรรมเช่นสีก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมสภาพจิตที่เกิดขึ้นในขณะเห็นสีก็เป็นตัวกรรมน้องวิเคราะห์เรื่องพวกนี้อย่างละเอียดพอสมควรอะสมควรนี่แค่ไหนโอแค่มรรคจิตเกิดก็พอแล้วละอรหัตตมรรคเกิดก็พอแล้วจบและจบการศึกษาแค่นั้นแหละ แต่ไม่ธรรมดานะเขาบอกเอื้อมมือไปล้วงเพราะว่ากระผม ย, ยังพอเป็นไปได้บ้างนะแต่ก็คือสิ่งเหล่านี้นะถ้ามีศรัทธาถ้าประกอบด้วยธรรมะห้าประการคือศรัทธาศีลสุตะจาระปัญญาแม้แต่ปรารถนาเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ก็สําเร็จประกอบด้วยหนึ่งนะศรัทธามีศรัทธาในคําสอนนี้ไหมอันดับแรกก่อน ศรัทธาในาพระผู้มีพระภาคผู้สอนคําสอนอันนี้ไหมศรัทธาในาคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดไหมศรัทธาในาบุคคลผู้ปฏิบัติจนพน้นใครเรียกว่าปฏิบัติจนประสบความสําเร็จมีภาษารีบุตรเป็นต้นแล้วไหมอันนี้เครเรียกว่ามีศรัทธ า, าก่อนสองมีศีลกายวาจาของเรานี้อนุวัตตามศรัทธานาี้ไหมต่อไปสุตตะฟังเรื่องราวเหล่านี้ดีพอสมควรใช้ได้ไหมสามสละอย่างอื่นที่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 ธรรมะเป็นชื่อของเหตุเพราะฉะนั้นความรู้ในอัฐาก็คือความรู้ในผลคำว่าอัฐานั้นวันก่อนนี้อุตสาหบอกห้าตอบได้สี่เอาใหม่นะอั ฐ, ฐามีห้าหนึ่งอั ฐ, ฐาก็คือปัจจยุปันทุกชนิดเป็นอัฐะปัจจยุปันโอ้ฟังยากเหลือเกินนะเอาใหม่นะสิ่งที่เกิดจากเหตุทุกชนิดก็คือผลนั่นแหละหนึ่งนะ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 พบนี้แนะนําประโยชน์ในพบหน้าและแนะนําในประโยชน์อย่างยิ่งคือพันิพานและพระ อ, องค์ก็แสแวงหาความสุขมาให้แก่สัตว์พระสัตว์ทั้งหลายสแสวงหาความสุขให้พระ อ, องค์นี่แสแวงหาความสุขให้แกสัตว์นี่แสแวงหาอย่างไงสัตว์ทั้งหลายเขาควรจะได้รับวัตถุจากพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็จะให้วัตถุสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะถ้าสัตว์ทั้งหลายสมควรที่พระ อ, องค์จะให้ความเมตตาพระ อ, องค์ก็ให้เมตตา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 เป็นโจรลักมะม่วงอ่ะลงมาจากต้นไม้มากล่าวว่าท่านเนี่ยไม่เคารพธรรมกันนะก็บอกว่าขณะในชาตินั้นพระ อ, องค์ยังเคารพธรรมแล้วพระ อ, องค์เป็นพระพุทธเจ้าจะไม่เคารพธรรมได้อย่างไรอะไรแล้วพระ อ, องค์ก็อาศัยเรื่องนี้ยกเป็นตัวอย่างแล้วพระ อ, องค์ก็บัญญัติทระวินยัยว่าพระ อ, องค์ก็เป็นผู้ที่เคารพธรรมพระองค์ก็กล่าวด้วยนะว่าไอ้ลักมะม่วงก็ไม่เคารพธรรมอีกเหมือนกันอะไรมีในในในคัมภีร์นะใ น, ในเสขียวัตรของพระ พระองคก็เลยบัญญัติพระวินัยว่าพึงอรรมศึกษาว่าเราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ที่อยู่สูงกว่าเพราันพระองค์นั้นเป็นผู้ที่บูช า, ราธรรมถ้าตถาคตนี้ย่อมเข้าถึงสุขคติโลกสวรรค์เบ mm. ื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพอกพภูนภัยบู์จุติจากโลกสวรรค์นั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้มหาปุริสรลักษณะสองประการคือมีพระบาทดุจสังคว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 กรร ม, มสักตายาเอ๊ะทำยังไงเขาจะเข้าใจเรื่องกรรมชัดขึ้นอะไรขึ้นตถาคตย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทรรํำสังสมพ่อพูนภยัยบุญคือทํามามากตลอดระยะเวลาเสียสองขัยเนี่ยด้วยผลของกรรมมั น, นั้นก็ทําให้ไปสู่สุขติโลกสวรรค์ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้ซึ่งมหาปริศลักษณะคือ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 ยุดยารักษาโรคเข้าของเครื่องใช้ต่างๆที่เหมาะสมแก่สมณะนั้นก็ควรแก่สมณะจะสําเร็จแก่พระองค์ได้โดยเร็วพลันพระองค์เนี่ไม่ยากเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี้เทียบพร้อมสมบูรณ์หมดเรีดกว่าเป็นสมณะสุขุมารชาต์เบอกว่าจีวรเนี่ยไม่อยากใช้เนี่ยคนขอร้องให้ใช้ให้ที่พักเนี่ยคนต้องขอร้องจึงกันไปพักเรียกว่าเป็นสมณะที่ละเอียดอ่อนสุขุมารชาต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 ทำกุศลกรรมมีความสุขเป็นกําไรนั่นแล้วกุศลเนี่ยก็มีวิบากเป็นสุขอะเนาะย่อมได้พระชงทั้งคู่เป็นที่ชอบใจมีสวดทรงดีกลมกล่อมเป็นสุชาติเรียวไปโดยลำดับมีพระโลมาขึ้นปลายช้อยขึ้นข้างบนในแข้งนี่ก็ยังมีเส้นขนเนี่ยชอยขึ้นชอยขึ้นมีหนังอันละเอียดหุ้มห่อแล้ว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 มันต้องพ่อพูลอบรมเจริญอย่างเดียวอทำยังไงกุศลจึงจะเกิดขึ้นทำยังไงอาคุศลที่มีเนี่ยจึงจะลดลงไ ป, เ, ปเหมือนกูแหวกออกแหกออกจากกองบาปกองอาคุศลใครได้ยินนักตันหาชาลังตันหาเหมือนกับข่ายเหมือนกับเป็นตะแกรงที่มันโห้มาติดขายไว้หมดเลยได้ทำยังไงจะแหวกพวกนี้ออกเข้าเห็นความจริงอวิชชานี้ปกปิดหุห้มห่อให้มองไม่เห็นอริยสัจ ท, ทำยังไงจึงจะมองเห็นความจริงเหล่านี้ได้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 เข้าประสงค์บุญเออแล้วเราเนี่ยมีบุญอะไรให้เขาบ้างเขาบอกว่าทานที่ให้กับพิสูจน์หรือให้กับคนที่มากไปด้วยกามมวิตกพยาบาสวิตกวิหิงสาวิตกเป็นทานที่ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงส์มากเออถ้าเราปล่อยจิตให้ไปเป็นไปอย่างนั้นแล้วนีเออ่เขาจะได้บุญไหมเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นก็จะทําให้กระตุน้นเตือนที่จะคิดในการเจริญกุศลบ่อยๆเพราะฉะนั้นความเพียรพยายามนี่จะต้องปารกบ่อยๆเรียกว่าหาเหตุ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 จิตไม่เปลี่ยนจิตมันก็เป็นลนกักษณะกุศลมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตอ่ะแต่เจตสิกเนี่ยเจตสิกแต่ละตัวเนี่ยน้ําหนักไม่เท่ากันนะจริงอยู่ในโสภณะสาธารณะเจตสิกเกิดพร้อมกันทั้งหมดทั้งสิบก้าดวงจริงแต่บางครั้งหนักไปด้วยศรัทธาสัททินรียมีกําลังมากบางครั้งกุศลจิตอันนั้นเนี่ยฮีเรโอตาปามีกําลังมากบางครั้ง สติมีกําลังมากบางครั้งอโลภามีกําลังมากบางครั้งอะโทสามีกําลังมากบางครั้งตัตตระมัชตตามีกําลังมากบางครั้งไอ้พวกยุคโลธรรมเนี่ยเกิดมากมีกําลังมากอัน้นแต่ละขณะไ ม, ไม่ไม่เหมือนกันนะกุศลจิตกุศลโดยศัพเนี่ยเหมือนกันแต่น้าหนักของกุศลจิตนี่ไม่เท่ากันบางครั้งเนี่ยเจตสิกในอัญญสมมาเจตสิกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวทนามีกําลังมากเช่นโสมนัตเวทนามันเกิดมาก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 ถ้นหลายองค์เขาดูหนังสือนะบางทีก็ไม่ค่อยรู้หลักการใช้สายตาอะไรเงี้ยนะอ่านหนังสือไปเดี๋ยวก็ตาเอียงบางตาเข้มมันจะมีปัญหาเรื่องอะไตาแว่นนั่นแหละกว่าจะเข้ากับตาอ่านหนังสือได้โดยที่ไม่เมื่อยไม่ลา้านี่ก็ไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันนะใหม่เลยเนี่ยบางคนเนี่ยกว่าจะใช้แว่นตาเป็นเนี่ยอ่านหนังสือได้อย่างสบายๆเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะแค่แว่นตาธรรมดากุศซลจิตก็เหมือนกันที่จะไปพิจารณาธรรมะเนี่ยนะก็เหมือนกับแว่นตานั่นแหละต้องมีการปรับตัวพอสมควร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 ทีนี้ต่อไปนะว่าดูกรที่สูตทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนได้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วซักถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมที่อยู่ในฝกใักฝ่ายแห่งกุศลเนี่ยเป็นอย่างไรกรรมมีกี่อย่างนะต้องนึกถึงกายกายกรรมเนาะ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 แล้ววจีกรรมอ่ะวจีกรรมที่เป็นกุศลมีกี่ดวงก็มหากุศลแปดอีกนั่นแหละพูดอยู่แล้วนะเอ๊พูดยังไงพูดจริงจะจิตเป็นกุศลเจตนาที่ทำให้เกิดการพูดพวกเรามียี่สิบดวงแต่ที่เป็นกุศลมีแค่แปดดวงที่เป็นมหากุศลเกิดขึ้นในขณะที่พูดอะ่ะเป็นยังไงต้องนึกถึงตอนที่เรียนก่อนต้นๆน้นใช่ไหมพูดยังไงจึงจะเป็นไปกับฐาน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 ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนทาสังสมพกพูนภัยบูญคือเข้าไปสอบถามนี่แหละคือไม่ใช่แค่ถามเฉยๆนะถามแล้วเอาไปปฏิบัติจริงๆนะไม่ใช่โอ้อยากจะได้เหตุอย่างนี้เลยไปถามๆซะหน่อยนะไม่ใช่แบบนั้นนะคือต้องเรียกว่าถามเพื่อมุ่งผลในการลักษณะเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัต ขั้นจุติจากสวรรค์แล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้พระมหาปริศลักษณะคือมีพระฉวีคือผิวเนี่ยสุขุมละเอียดเออถามถามเยอะๆเนี่ยเป็นเหตุให้ผิวดีนะไม่เคยคิดเออนี่ก็เป็นเหตุแ ห, ห่งกำกันนะแต่ต้องถามว่าอะไรเป็นกุศลอกุศล น, นะไม่ใช่ว่าถามเรื่อยอยากได้ผิวอย่างนี้ก็เลยถามใหญ่เลยนะจนใครมีใครตอบให้แล้วก็แย่เหมือนกัน พรสะถามแล้วเขาไม่ตอบถ้าโทสะเิอเนี่ยชักผิวไม่งามเลยนะครับนี้เพราะฉะนั้นทําให้พระองค์นี้มีพระชวีเนี่ยสุขุมละเอียดเพราะพระชวีสุขุมละเอียดทุลีละองมิติดพระวรก า, ายได้ผิวดีพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพระษณะนั้นถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ที่มีลักษณะอย่างนี้จะได้อ น, นี้สงพิเศษ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 เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลข้อนี้คือมีพระปรีชาเมตต์ปัญญานีิมากมีพระปรีชาในกว้างขวางปัญญากว้างกว้างเหมือนอะไรบอกเหมือนแผ่นดิน่ะ <mm> มีปัญญาทาลายกิเลสมีปัญญาร่าเริงมีพระปัญญาว่องไวมีพระปัญญาเฉียบแหลมมีพระปัญญาทําลายกิเลสไม่มีสรรพสัตว์ผู้หนึ่งผู้ใดมีปัญญา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 วรตีสามได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอชีวะอันนี้ก็เป็นเจตสิกศีลเจตสิกศีลและเจตสิกศีนอีกสามอย่างก็คืออนาัาพิชาอัพยาปาทะและส ม, มาธิฏฐิสามตัวนี้ก็เป็นเจตสิกศีนแต่ให้อีกอะไรศีกนคือสังวรศีนสังวรมีกี่อย่างคะ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 มาขันแล้วก็กําหนดศีลขันนั้นตัวศีนเนี่ยถ้าพูดแบบทั่วไปแล้วก็คือจตุปริสุทธิสีนั่นแหละ mm hmm. ปฏิโมกข์ังวรอินทรีสังวรอาชีวะปริสุทธิสีแล้วก็ปัจจะยะสันนิสิตศีลมีปัญญากําหนดสมาธิขันอันมีคุณมากกําหนดสมาธิขันเนี่ยสมาธิขันก็คือกองแห่งสมาธิกองแห่งสมาธิก็ต้องไปดูว่าเออหนทาง วิธีการปฏิบัติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรก็ต้องนึกถึงเกศินสิบอัศวพาสิบอนุสติสิบโอ้ไปสามสิบเลนาะสิบสามครั้งก็สามสิบและอะไรอีกจจตุธาตัววัฏฐานอาหาเรปฏิกูลสัญญาพรห ม, มิหารสี่อรูปฌานสี่ประเภทนี้เรียกว่าสมถะกรรมฐานเพราะสมาธิที่เป็นไปกับฌานสมาบัติ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 ก็เลยเป็นสิบเกาพระโสดาบันห้าสกัตาคามีห้าทนาคามีหรร้าะ้ารันสี่เป็นสิบเก้าท่านพระองค์ก็มีวิมุตติญาณทัศ น, นขันธ์ที่เรณาทั้งของพระองค์เองด้วยนะพระองค์เนี่ยเก่งมากนะที่เรณาของคนอื่นด้วยรู้หมดแหละทัานปัญญามากเพราะว่าพระองค์นี่กำหนดฐานะและอาถรณะกําหนดฐานะอาถรณะอย่างไรเช่น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 ทุกเป็นฉนหยทุกเป็นฉนัทุกได้แก่ชาติตุกข์ชราทุกข์พยาธิทุก์มรณะทุกข์โสกะปริเทวทุกขะโทมนัสอุปายาทุกทุกเกิดจากการพราดรากจากของรักทุก์ที่เกิดจากประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักทุก์ที่เกิดจากความไม่สมปรารถนาพยัสนะคือ ยาทั้งหลายเสียหายเป็นต้นนะพวกนี้ก็เป็นทุกข์ถ้าจะว่าทุกข์ให้มันเยอะไปมันก็เยอะอะทุกข์อ่ะจากขูโรโคโซตาโรโคทุกหมดแหละแผ่นดินไหวยังทุกข์เลยอันนั้นมีทุกข์อีกอย่างหนึ่งโดยย่อความทุกข์ทั้งหมดแล้วสรุปสรุปสังคิตเตเนี่ยสังคิตตะแปลว่าย่อย่อแล้วก็คืออุปาทานฐานห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์หูได้ยินเสียงก็ทุกข์ทุกขเพราะอะไร ทุกเพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นปัญญาที่สามารถอย่างถึงทุกขอ r i y a s a t ม m ท t h a i ย r สั a s a t n i r o ิ Ariyasat และก็นิโรธาคามินีปฏิปทา a r i y a s ร์ในเรื่องของอริ y a s a เนี่ยนะมันมีรายละเอียดมากแต่จะกกล่าวต่อไปอีกในเรื่องของสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นก็คือสติที่เป็นไปในกาย สติที่เป็นไปในเวทนาในจิตในธรรมะตัวสติกับฐานของสตินีค่คนละอย่างฐานของสติได้แก่กายเวทนาจิตหรือธรรมะสติก็คือเป็นกุศลธรรมถ้าหากว่าเป็นของปุถุชนทั่วไปหรือของพระเสขะบุคคลแต่ถ้าของพระอราหันต์ก็เป็นหมากิริยาสติที่เป็นไปกับกิริยาสั้นสติตัวนี้เนี่ยระลึกที่กายเวทนาจิตธรรมหรือที่ ขันห้านั่นแหละอันองประกอบของการเจริญสติปัฏฐานมีอะไรบ้งางอตาปีสัมปชานโนสติมาต้องมีสติองแห่งการละมีกี่อย่างยกตรงๆเลยก็สองอย่างคือละอภิชาและโทมนัตในโลกและต่อไปนะสัมมประทานสัมมประธานสี่สัมมประธาน 4. สี่ก็คือเพียรเพื่อละเพียรเพื่อระวังไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศล เพียรเพื่อเจริญกุศลแล้วก็เพียรพอกคูณกุศล ต, ต, ต่อไปอีกแล้วอิทธิบาท4สี่นะฉันทะวิรยิยะจิตตะและวิมังสาเชื่อนิคร่องเลยอิทธิบาทเนี่เข้าใจยากที่สุดเลยในธรรมะที่ ท, ที่ที่ศึกษาศึกษาเนี่ยอิทธิบาทเนี่อ่านแล้วเข้าใจยากของอรตมานะคนอื่นอาจจะมีบุญต่อไปพระพระมีห้าหนึ่งสภาพระ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 อวิชามันคำว่าพระแปลว่าไม่วันไหวไม่วันไหวต่อปฏิปักษธรรมปฏิปักษธรรมห้าอย่างนะคือหนึ่งความไม่มีศรัทธาสองความเกียดคร้านสามความไม่ตั้งมั่นสี่ความฟุ้งฟาดห้อาอวิชาพระห้าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่วันไหวในธรรมะห้าอย่างเหล่านั้นพ่อชมก็คือองคุณหรือองธรรมะที่เป็นเหตุให ตรัสรู้หรือบุคคลผู้ตรัสรู้นั้นจะต้องมีโพชงเป็นองค์ที่ทําให้บุคคลนั้นตรัสรู้ได้ถ้าไม่มีองค์เจตนี้บุคคลนั้นจะตรัสรู้ไม่ได้นะหรือธรรมะสามคีที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้นั่นแหละเรียกว่าโพชงมีอยู่เจ็ดอย่างโพชังโคสติสังฆาโตธรรมานางังมิเตโยตธาหนึ่งสติสามโพชงสอง ธรรมะวิจยะสามโพชงสามวิริยะสามโพชงสี่ปิติสามโพชชงห้าปัจสถิสามโพชงหกสมาธิสามโพชชงเจดอุเบกขาสามโพชงอเก่งมากสาธุจำชื่อได้นี่ก็ได้ไ ด, ได้เยอะแล้วนะนั่นแหละนึกถึงคำว่าพชงบ่อยๆก็เป็นธรรมานุสตินะ เออนี่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุโพชงนะท่านเป็นพระอาหารหันต์นี่ได้ข้ออย่างไรเป็นธรรมานุสติก็ได้เป็นพุทธานุสติก็ได้ต่อไปอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดปัญญาที่กําหนดอริยมรรคมีองค์แปดอะปัญญาอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเกิดร่วมกับมรรคกี่ดวงอ่าสี่ดวงคือโสดาปติมรรคอย่างหนึ่งสกะทาคามีมรรคอย่างหนึ่งอนาคามีมรรคอย่างหนึ่งและก็อรหัตมรรคอย่างหนึ่ง อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเนี่ยนะดับแรกก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนี้ฟังบ่อยแล้วทีนี้ต่อไปสามัญญผลอริยมรรคสามัญญผลก็ได้แก่ผลจิตสี่อย่างผลจิตสี่ก็คือโสดาปฏิผลจิตสากาทาคามีผลจิตอนาคามีผลจิตและอรหัตตผลจิตสามัญญผลเป็นผลสามัญเป็นพรมัญญผลเป็นผลที่ ที่สูงสุดสําหรับพระพุทธศาสนาคืออรหั ต, ตผลผลนนี่นี่เขาบอกว่าทิศูนผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ยิ่มได้เลยต้องสมบูรณ์นะสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาก็ยิ่มในอรหั ต, ตผลได้แต่ถ้ากระพ้องกระแพงก็ก็ทําให้มันบริบูรณ์ท่มันก็จะได้หวังหน้าใช่ไหมต่อไปอภิญญาอภิญยานี้เป็นชื่อของความรู้ยิ่งอภิญญามีหกอยาก่าง พินยาหกก็คือหนึ่งพินยาคือแสดงฤทธิ์ได้อิทธิวิทะแสดงฤทธิ์ได้สองหูทิปอ่ะหูทิปก็เป็นอภินยาอย่างหนึ่งเหมือนกันสามระลึกชาติได้สี่รู้วารจิตรู้จู่ตูปปาตายญาณรู้สัตว์เกิดสั์ตายและอาสวะขย า, ยานทำอาสวะทำบาปทำอากุศลให้หมดไป นี่เรียกว่าพิญญาความรู้ยิ่งและนิพพานนิพพานนิพพานเ น, น, นี่ยวันนี้วานะปราศจากตัณหาหรือว่าดับตัณหาได้โดยไม่มีเชื้อั้นพระองค์มีมหาปัญญาที่กำหนดคุณทั้งหมดเหล่านี้ได้กำหนดศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนสานะอาฐานะ วิหารอริยสัจสติปทานสัมมาปทานอิพิบาลภละโพชงอริยมรสมาญญผลอภิญญาและนิพพานอันมีคุณมากคนที่มีปัญญาแบบนี้แหละเรียกว่ามหาปัญญามหาปัญญาทีนี้มีคําว่าปุถุปัญญาอีกเคยได้ยินนะปุถุชนแปลว่าชนผู้หนาใช่ไหมอันนี้ถ้ามีปัญญาหนาจะเป็นอย่างไรมีปัญญาหน า, าพระปุถุชนเนี่ยหนาด้วยกิเลสตัณหาอาสวะใช่ไหม หนาด้วยทุจริตโอ้พิเลศต่างๆมากมายแต่ถ้ามีปัญญาหนาจะเป็นยังไงที่เอาปูถูกปัญญาปูถูปัญญาก็คือยานย่อมเป็นไปในขันต่างๆเนี่ยมากขันนี่มากไหมมากนะขันนี่ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปอตีตานาคตาปัจจุานาันังอจตางวาบัญญัตาวาวาริกังวสกุมงังวาคือรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคต ปัจจุบันภายในภายนอกอยากละเอียดเลวปณะนีดไกลใกล้เยอะนะสิบเอ็ดข้อแล้วรูปมีเท่าไรสี่สิบแปดเหรออ๋อยนะี่สิบแปดนะโอไม่ดีได้แสดงว่าโตตินสีมีปัญหาแล้วงั้นเพราะฉะนั้นรูปมียี่สิบแปดในหนึ่งคนมีกี่รูปเห๊ถ้าคนที่ไม่ถึงยีบเจ็ดจะว่าไงมีไหม คนมีรูปไม่ถึงยี่สิบเจ็ดมีไหมมีไม่มีภาวะโรคก็ไม่ถึงยี่สิบเจ็ดจะคูภาษาทาบอดก็ลดลงไปอีกหูหนวกก็ลดลงไปอีกคานาภาสาเสียก็ลดลงไปอีกก็ลดไปตามนั้นเพศไม่มีก็ลดไปตามนั้นอีกอันนี้เป็นรูปในรูปเหล่านี้แยกเป็นสมุดฐานอีกคละอย่างเลยนะในรูปแต่ละสมุดฐานมาจําแนกเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอีกเพราะฉะนั้นเรื่องมากจริงๆเลย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 เคยได้ยินธาตุสีนะปฐวีอาโปเตโชวาโยอันนี้ก็ธาตุเคยได้ยินธาตุหกเองนะธาตุหกก็คือปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอาโปธาตุแล้วอากาศสัธาตุและวิญญาณธาตุแล้วมีธาตุอีกเอาเอาแบบธาสิแปดเลยนะเยอะๆหน่อยธาตุสิบปดคือจักรครูธาตุสีสีคือรูอประธาตุจิตเห็นเป็นจักรคูวิญญาณธาตุหูเป็นโสตธาตุ เสียงดังๆเนี่ยเป็นสัทธธาตุจิตได้ยินเสียงเป็นโสตวิญญาณธาตุจมูกเป็นคานาธาตุกลิ่นไม่เป็นบัตรไม่เคยได้กลิ่นเลยนะกลิ่นเป็นวิญญาณเนี่ยเป็นคานวิญญาณธาตุลิ้นเป็นชิวหาธาตุแผ่นลิ้นหรือชิวหาภาษาธะชิวหาภาษาธานุนะตัวแผ่นลิ้นทั้งแผ่นนั่นเป็นกายภาษาธาตอยู่ในนั้นด้วย แต่ว่าตัวชิวหาภาษาธาตความสายที่สามารถรับรสได้เป็นชิวหาธาตุชิวหาธาตุรสก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนกันและชิวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธิภพธาตุและกายวิญญาณธาตุมโนธาตุสัมปติชนจิตสองดวงปัญจาทวารวชนะจิตอีกหนึ่งดวงเรียกว่ามโนธาตุ ธรรมธาตุโอธรรมธาตุเช่นธรรมธาตุนะเป็นรูปเนี่ยเยอะเลยนะรูปที่เป็นธรรมธาตุได้แก่อาโปธาตุอโปธาตุนี่ยหนึ่งสองโอชาจีวิตรูปภาวะรูปลักขณะรูปวิการรูปพวกนี้เป็นธรรมธาตุจิตจิตเป็นจิตเป็นอะไร จิตบางอย่างเป็นมโนธาตุจิตบางอย่างเป็นมโนวิญญาณธาตุส่วนเจตสิกเ ป, รร เ, ปเป็นธรรมธาตุนิพพานเป็นธาตุไหมเป็นธรรมธาตุอ๋อมีแต่ธาตุเลยนะมีแต่ธาตุใช่ไหมศาสตร์บุคคลไม่มีเลยก็อาศาัยธาตุนั่นแหละประชุมระชุมกันเลยเรียกว่าเป็นสาตร์เป็ น, ปนบุคคลจนกลายเป็นจะไม่มีธาตุจนไม่รู้อะไรอีกก็ไม่ใช่ ก, ก็ต้องรู้ทั้งทั้งสองอย่างนั่นแหละ ปัญญาที่สา ม, มารถที่จะรู้ธาตุมากๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาหนาแน่นเกิดปัญญามอ่อเมนกนเถิดปัญญาหนาสา ม, มารถที่จะรู้ธาตุต่างๆเหล่านี้ได้และที่สา ม, มารถที่จะรู้อายตนะต่างๆได้มากที่รูอ้อายตนะต่างๆอายตนะมีทั้งหมดสิบสองอย่างอายตนะคือตาจากาักขาอายตนะอายตนะคือสี อายตนะคือหูอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือเล้นอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือโพธิภพอายตนะคือใจอายตนะคือธรรมะต่างๆก็คืออายตนะสิบสองเป็นที่ต่อแห่งสังสารทุกข์อันยืดยาวทีนี้ต่อไปปัญญาที่กําหนด ปัญญาที่เป็นไปในปฏิจจสมุปบาทมากปัญญาที่เป็นไปกับอวิชชาอาวิชชาเกลร่วมกจิตได้กี่ดวงอวิชชาได้แก่โมหะเจตสิกเกลุ่มกับอากุศลรรจิตทั้งสิบสองดวงสังขารได้แก่เจตนาเท่าไหรยี่สิบเก้าวิญญาณได้แก่วิญญาณสามสิบสองโลปิยะวิญญาณสามสิบสองนามรูปนามได้แก่เจตสิกที่ประกอบกับ วิญญาณรูปได้แก่กรรมไมชรูปวิญญาณนามรูปสลายยตนาได้แก่อายตนะทั้งหลายมีจักหายตนะเป็นต้นนะยตนะภายในภายนอกด้วยนะอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดภาษาภาษามีเท่าไหร่ภาษาหกภาษาแล้วก็เกิดเวทนาเวทนาหกเวทนาและเกิดตัณหาหกตัณหาหกทำให้เกิดอุปาทานส อุปาทานสี่ทำให้เกิดภพสองกรรมาพบกับอุปติภพบพบทำให้เกิดชาติชาติชาติชาติเสร็จก็ใกล้ใ้เกือบเกือบจุตินั่นแหละต่อไปก็เกิดแล้วก็ตายส <c oughs> ัญหามันยังไม่ทันตายในทำกรรมอีกเทียบเลย <c oughs> สามารถที่จะกำหนดปฏิจจสมุปบาทได้มากๆอย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาหนา <c oughs> ปัญญาในการได้สุญญา ต, าต่างๆมากสุญญาตาคือความว่าง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 ควันนะถ้าแสบตาเป็นโพธิภะธาตุ้าได้กลิ่นเป็นคันธาตุในในกลิ่นมีรูปเท่าไหร่ถ้ากลิ่นทูบมีรูปเท่าไหร่เนี่ยนะมีรูปแปดรูปวินิพุครูปแปดลองไล่ๆล่ดูนะว่าแม่นขนาดไหนต่อไปนะในอาาัฐาอัฐามีห้าอย่างนะคือในผลที่เกิดจากปัจจัยในนิพพาน กิริยาวิบากและก็เนื้อความแห่งภาสิทธเรียกว่าอัฏ ธ, ธ, ธรรมะได้แก่ปัจจัยอริยมรรคปุศลอกุศลและภาสิทธเรียกว่าธรรมะอันปัญญาที่หนาก็คือไปรู้อัฏฐะต่างๆในมากในธรรมะทั้งหลายได้มากในนิรุตติมากสมมุติถ้าอัฏฐะห้า 5, ธรรมะห้านิรุตติก็ต้องสิบปฏิพานก็ต้องยี่สิบนั่นะคือถ้าอัฏฐห้า 5, ธรรมะห้า นิรุติก็คือยานในการแสดงทั้งอัฏฐ ธ, ธรรมะใช่ไหมแสดงในอัฏฐห้าแสดงในธรรมะห้าก็เป็นนิรุตติสิททีนี้ปฏิพานก็คือปัญญาที่ไปรู้อัถฐไปรู้ธรรมะรู้นิรุตติก็เลยเป็นปฏิพานยี่สิบถ้ามีใครมีโอกาสก็ไปอ่านในปฏิสัมพิทาปฏิสัมพิธรรมะและในหัวข้อว่าด้วยปฏิสัมพิทาในนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องปฏิสัมพิทาเยอะถ้าใครอยากแต่ฉานนะเพราะว่า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 ในสัมมประธานมากในอิทิบาททั้งหลายในอินทรีย์ทั้งหลายในภะ ล, ละทั้งหลายในโพชฌงทั้งหลายในอริยมรรตต่างๆมากในสามัญญผลในอภิญญาและในพระนิพานอันเป็นประมัต์ล่วงธรรมะสาธารณะแก่ปุตุชนทีนี้ต่อไปนะทาะปัญญาก็คือเหมือนกับธาตุปัญญานั่นแหละแต่ทาสศเหมือนกับเขียนคำว่าธาตุแต่ทาะตรงนี้แปลว่ารื่นเริง พระพุทธเจ้ามีปัญญารื่นเริงทาสะปัญญาก็คือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความรื่นเริงมากด้วยเวทเวทก็คือความรู้เวทะเวทะแปลว่าความรู้มากด้วยความยินดีมากด้วยความบันเทิงย่อมบำเพ็ญศีลบริบูรณ์นะบันเทิงเหลือเกินในขณะที่บำเพ็ญศีลบำเพ็ญอินทรีย์สังวรบำเพนะ็ญโภชเนมตันยูรู้ประมาณในโภชนะ ยกโภชนะมาเป็นตัวอย่างก็คือรู้ประมาณในปัจใจสี่นั่นแหละแปลว่ารู้ประมาณในการสแสวงหารู้ประมาณในการราบับรู้ประมาณในการบริโภคชาคริยานุโยกก็คือปฏิบัติธรรมะเป็นเครื่องตื่นตื่นจากอะไรตือนจากนิวรณ์ห้าแสดงว่าขณะไหนที่ตือนไม่หลับนะแต่นิวรณ์เกิดขึ้นขณะนั้นชื่อว่าหลับวันนี้ตื่นมากหรือหลับมากหลับมาก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 บุคคลมากด้วยความรื่นเริงย่อมแทงตลอดอริยสัจบุคคลย่อมเจริญสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทิบาทอินทรพละโพษชงอริยมัติบุคคลผู้มากด้วยความรื่นเริงย่อมทําให้แจ้งซึ่งสามัญญผลย่อมแทงตลอดอภิญญาทั้งหลายบุคคลผู้มากด้วยความรื่นเริงมากไปด้วยเวทมากด้วยความยินดีมากด้วยความบันเทิงย่อมทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันเป็นปรมัมมัติ ผู้ที่มีปัญญามากปัญญาเรื่นเรืองก็เป็นไปกับเรื่องทั้งหลายเหล่านี้อ๋อยังกินจิตยังกินจิตแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมุทยะธรรมังไม่ใช่ทานังสมุทยะธรรมังก็คือยังกินจิตสมุทยะธรรมะสมุทยะปแปลว่าการเกิดขึ้นธรรมะก็คือธรรมะยังกินจิตสมุทยะธรรมังอะสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาธรรมะตัวนั้นปแปลว่าธรรมดา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 กรรมอาหารและนิพพติลักณะห้าอย่างนี้เรียกว่าการเกิดห้าตรงนี้จะต่างจากในปัจจะยปริฆหายานตรงนี้เนี่ยเป็นภูมิของอุทยพย า, ยานถ้าในปัจจะยปริฆหายานเนี่ยนะตันห า, าวิชาอุปาทานเหมือนแม่กรรมเหมือนพ่ออาหารเหมือนพี่เลี้ยงที่ทำให้โรูประขันเกิดแต่ตรงนี้ต่างกันนิดหน่อยตรงนี้บอกว่ า, าวิชาตันหากรรม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 เสื่อมห้านี่คือความเกิดเสื่อมอั้นอุทยพย า, ยานเห็นเห็นเกิดเนี่ยเห็นรูปประคันเกิดด้วยอาการห้าเสื่อมด้วยอาการห้าไม่ใช่อุปา ท, าทิฏฐิพังคันนะบอกว่าเกิดดับนี่เห็นอุปา ท, าทิฏฐิพังคะไม่ใช่อย่างนั้นเลยอุทยพย า, ยานนั้นจะต้องอนุวัตตามพวกสัมมสนญาณต้องอนุวัตตามปัจจะปริคหายาณเพั้นญาณที่จะเห็นความเกิดความดับนั้นคนนั้นจะต้องตีรณะปริญญานี่ดีมาก ตีระปริญญาจะดีได้ก็ต้องอาศัยอะไรยาตะปริญญาเพราะเรื่องปัจจัยนี้เป็นเรื่องที่แตกฉานละเอียดละออนมาก เ, เวทนาขันเกิดด้วยการห้าคืออวิชชาตันหากรรมผัสสะแล้วสุดท้ายก็คือนิพพติลักณะคือลักษณะที่เกิดะนะ เ, เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันเนี่ยใส่เข้ามาคำว่าผัสสะแทนอาหารแทนตรงนั้นนิดหน่อย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 เวทนานี้สัญญานี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญานี้ความเสื่อมไปแห่งสัญญานี้สังขาร น, นี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขาร น, นี้ความเสื่อมไปแห่งสังขารนี้วิญญาณนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณนี้ความเสื่อมไปแห่งวิญญาณพิกษุยย่อมพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคือขันธ์ห้าเนี่ยนะเป็นภายในบ้างพิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะคือขันธ์ห้าเป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมะ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 ต้องไปศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นความรู้อันนี้เนี่ยต้องพอกพูนให้มากๆอันถ้าพอกพูนความรู้อันนี้มากๆาครียกคนมีปัญญาหนาอาวิชชาตัณหากรรมนามรูปและก็นิพพตินิพพติลักษณะนิพพติลักษณะไปดูได้ในเล่มหกสิบแปดอุทยพย า, ยานนิเทศในเล่มหกสิบแปดนะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วนะ ท้าที่สุดนี้เพความสวัสดีชมนี้แกท่านทั้งหลายเรื่องกรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยเนาะใครไม่ทำกรรมบ้างกะานี่เราจะมาพูดยังทำกรรมอยู่เลยเนี่ยขนาดนี้อะ่ะขนาดนี้มีเจตนาถ้ามีเจตนาที่กล่าวออกมาก็เป็นวัจีกรรมวัจีกรรมเหล่านี้มีผลไหมเจตนาที่ทำให้เกิดการพูดนี้มีผลไหม มีมีผลอย่างไรมีผลยังไงให้ผลเมื่อไรตามสูตรเลยตามสูตรก่อนเนในคำพูดหนึ่งคำปั๊บเนี่ยชาวนะใช่ไหมทำให้เกิดหนึ่งคำพูดเนี่ยในแต่ละคำที่พูดออกไปเนี่ยชาวนะดวงที่หนึ่งชาตินี้ถ้าพูดเป็นบุญนะโอแกละไปเนี่ยสบายแน่กุศลไมบากเพราะขณะนี้เจตนาเตนสมมตินนะพูดด้วยกุศลเจตนานะ ชั่วนาดวงที่หนึ่งให้ผลเป็นสุขแต่เป็นที่ทธรรมแปลตรงๆว่าให้ผลในชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลในชาติน่าโอ้แทกกรรมันนี้ให้ผลเนี่ยไปดีแนะ่ไปสุขคติอย่างกระจอะที่สุดกลับมาเป็นมนุษย์คืนต่อไปดวงที่สองถึงดวงที่หกเป็นอป ร, ราปริยะเวทนียกรรมให้ผลในชาติที่ที่สามเป็นต้นไปเป็นอโหสิได้ไหม กาันนี้เป็นอโหสิกรรมไหมถ้าเป็นพระอารหันต์ปริณิพานจึงจะเป็นอโหสิกรรมแล้ววันหนึ่งเนี่ยพูดอย่างงี้กี่คําพูดเยอะไหมแล้วสะสมชาวนะเท่าไหร่อันนี้ทีนี้ต้องมาดูสะสมมากๆคําพูดแต่ละคําแต่ละคําแต่ละคําที่พูดออกไปเนี่ยเป็นชาวนะเจตนาที่ทําให้เกิดคําพูดเนี่ยเป็นชาวนะเพราะว่าทวีปัญจาไม่พูดใช่ไหมไม่พูดสัมปติชนะก็ไม่พูด สันติรณะก็ไม่พูดภาวังก็ไม่พูดชาวนะเท่านั้นแหละพูดชาวนาที่ทําให้พูดของเรามียี่สิบประเภทแต่นี้เราเอาเฉพาะกูปสนก่อนนะมอกุศลละไว้ในฐานที่เข้าใจกันทีนี้เรามาดูว่าในชาวนะเนี่ยแบ่งการให้ผลกรรมไปอย่างนั้นแล้วต่อไปอีกว่ากรรมนี้เป็นคารุกรรมไหมเป็นไหมหนักไหมไม่หนักนะไม่เป็นคารุกรรมเพราะว่าขณะพูดชาณจิตไม่เกิด ไม่ใช่ชาญจิตมันไม่ใช่คารุกรรมฝ่ายดีก็ไม่ใช่คารุกรรมฝ่ายชั่วเพราะไม่ได้พูดสั่งให้เขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาาระอรหันต์ไม่มีพูดทําให้สังฆเภศแตกแยกกันไม่มีพูดทําให้คนไปทําให้พระโลหิตพ่อก็ไม่มีเพราะฉะนั้นกรรมอ น, นี้จึงไม่เป็นคารุกรรมอ่าแล้วมาพูดอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยพอสมควรนะปีนี้มาพูดตรงนี้หลายชั่วโมงแล้วนะอย่างหลายเดือนแล้วเมื่อเช้าไปนั่งรับ พฤ่สภามิถุนากรกกาฬกันยาเซิงหากันยาโอ้โหหลายเดือนแล้วนเนี่ยยาวที่สุดเท่าที่เคยทํามาโอโ้เป็นอาจินนกรรมนะเนี่ยโอ้โต้งนอนแลเพราะนั้นออันนี้เป็นอาจินนกรรมใช่ไหมอาจินนกรรมเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาพูดช่วงจังหวะใกล้ตายว่ากรรมที่จะให้ผลนั้นก็คารุกรรมมีหรือเปล่า ถ้าคารุกรรมไม่มีเป็นอะไรก็จะเป็นอาสันนกรรมอาสันนกรรมเนี่ยใกล้ตายทําอะไรอยู่พูดยากอีกนา น, น, นเกินแต่ตายแต่ถ้าตายตอนนี้เี่ไปดีแน่เพราะขณะนี้ทํากุศลอยู่ใช่ไหมถ้าอาสันนกรรมตรงนี้นะกรรมที่กาลังพูดนี่แหละให้ผลนําเกิดแต่แล้วถ้าอาสันนกรรมไม่มีอาจินนกรรมจะให้ผลกรรมที่ทําเป็นปกติอัธยาศัย คล้ายๆกับว่าใครพูดคําไหนมากที่สุดคํานั้นจะให้ผลก่อนคล้ายๆแบบนี้นะอ่าสมมุติสมมุติใครไปมีวจีกรรมกายกรรมอะไรมากๆอ่ะอันนั้นจะให้ผลก่อนเพราะถ้าไม่มีอาสัญกรรมถ้าอาจินนกรรมไม่ให้ผลกระตับตาวาปนกรรมกรรมที่ทําไว้ที่เรียกว่าอัปราปริยะเวทนิยกรรมเนี่ยอกรรมที่ชาวนะสองถึงหกเนี่ยในอดีตชาติที่เคยทําไว้แล้วเนี่ยแม้แต่แสงโกดกับเขาก็เขาก็จะเล่นงานเราเหมือนกัน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 เป็นตราบุญตราบาปที่ผ่านมาจากชาติที่แล้วด้วยและก็ขันห้าในขณะนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ก็เป็นกรรมใหม่ด้วยเป็นที่ดูบุญดูบาปดูกรรมและดูผลของกรรมถามว่าการพิจารณาเรื่องกรรมเป็นวิปัสนาไหมเห็นไหมความรู้ในเรื่องกรรมนี่สมบูรณ์อยู่ที่ไหนความรู้เรื่องกรรมนี่สมบูรณ์อยู่ที่ไหนอยู่ที่ปัจจยะปริคหายา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 เมื่อไม่มีเจตนารูปจึงเป็นผลของกรรมรูปที่เป็นผลของกรรมเฉพาะกรรมมชรูปเฉพาะกรรมชรูปเท่านั้นที่เป็นผลของกรรมกรรมมชรูปนั้นในร่างกายของเรานะที่ไม่เป็นกรรมมชรูปคืออะไรบ้างลมหายใจเข้าออกไม่ใช่กรรมมชรูปพุทพัดพุัเนี่ยไม่ใช่กรรมมชรูปแล้วอะไรอาหารใหม่อาหารเก่านะก็ไม่ใช่กรรมมชรูป แล้วเส้นผมที่พ้นหนังศีรษะมาแล้วก็ไม่ใช่กรรมมชรูปผิวหนังที่ตายก็ไม่ใช่กรรมมชรูปเล็บที่ยื่นออกมาพ้นตัดไม่เจ็บก็ไม่ใช่กรรมมชรูปสิ่งเหล่านั้นเป็นอุตุชรูปน้ําตาก็ไม่ใช่กรรมมชรูปน้ําตาเป็นจิตตะชรูปเป็นอุตุชรูปเตือนผ่อนอันอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นอุตุชรูปนะสมมติว่าเส้นผมที่ออกมานอกนอกนอก <ư u S 1> ผิวหนังแล้ว เส้นผมเหล่านี้เป็นอุตูชรูปอุตูชร well ูปเหล่านี้เป็นหนึ่งเป็นอุตูที่กรรมะปัจจะอุตุชรูปมาจากกรรมที่แตกต่างกันเส้นผมเลยต่างกันเลยของธรรมาไม่ผมยังไม่งอกเลยวันนี้ขึ้นโกนไปหยกหยกแต่ส่วนที่อยู่ข้างในนั้นอ่ะเป็นกรรมชรูปทีนี้มันจะค่อยๆงอกออกมานะทําไมเส้นผมเราไม่เหมือนคนอื่นเลยอันนี้เรียกว่ากรรมะปัจจะอุตุเป็นอุตูที่มาจากกรรมที่แตกต่างกัน เอางี้ก่อนนะในเส้นผมมีกี่รูปมีเท่าไหร่ <44. S 1> โอ้เห็นยกมือเลยรไม่ครบสี่สิบสี่เน่นะนับเป็นข้อข้อเอาอ่าสี่สิบสี่รูปนะหนึ่งกายะทัศกะสองภาวะทัศกะสามสามสามจิตตะอวินิโพค ร, รูปอวินิโพค ร, รูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานอาหารอาวินิโพค ร, รูป และอุตูอวินิโภค ร, รูปในเส้นผมนั่นน่ะทีนี้พอไออุตูชรูปในนี้เนี่ยในในรูปทั้งห้ากราบหรือห้ากลุ่มเนี่ยอแบ่งแยกแล้วเนี่ยมีอยู่ห้ากลุ่มห้ากลาบในแต่ละกราบมีเตโชธาต์อยู่ในนั้นด้วยเตโชธาต์ที่อยู่ในนั้นเนี่ยพอถึงทีติขณะเบิบจะทําให้รูปเกิดขึ้นหนึ่งรูปเรียกว่านะถ้ามาจากกรรมก็เป็นกรรมปัจจะยอุตูชรูปนะถ้ามาจากจิตเรียกว่า จิตตะปัจยะอุตุชรูปถ้ามาจากอาหารเรียกว่าอาหารปัจยะอุตุชรูปถ้ามาจากอุตุูเรียกว่าอุตุปัจจยะอุตุชรูปอุตุูชรูปมีสีอย่างทีนี้นี้พูดโดยอุตตนะที่มาจากเตโชทีนี้อาหารยังมีมาอีกนะไอโอชามันก็ยังทำรูปอีกข้อความในสัมมสนญญาณคัมภีวิสุทธิมักกล่าวถึงการแบ่งรูปอย่างนี้ไว้เลย เมื่อก่อนเนี่ยเรามาคิดดูอมันจะเป็นไปได้ยังไงใครจะมาคิดละเอียดอย่างงี้แต่สังเกตดูถ้าเราโกนผมเนี่ยนะอาศัยเวลาโกนผมเนี่ยทำให้ได้คิดเรื่องนี้เออทําให้คิดเรื่องนี้คําสอนเหล่านี้จะเข้ามาเลยโอ้มันเป็นลักษณะนี้เองนะมันสามารถที่เราจะตรึกตามได้คําสอนสามารถที่จะตรึกให้เห็นตามได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า อ, อุตุชรูปเหล่านี้ที่ผ่านพ้นมาพ้นหนังที่ระพะพอโกนดังแค่แค่แ ค, ค่ก็เส้นผมมันไม่เจ็บเลยเพราะมันเป็นแค่ อุดรูปแต่ ถ, ถ้าเป็นกรรมชัรูปที่รากเส้นผมถ้าใครมาถอนปักจะเจ็บเพราะตรงนั้นมีกาย ะ, ะาภาษาธาตุอยู่ด้วยในส่วนตรงที่เจ็บเพราะฉะนั้นรูปอันนี้เนี่ยผู้ที่พิจารณาอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดนะถ้ากรร ม, มสกตาไม่เกิดความรู้ในพระพุทธศาสนาไม่มีทางเลยถ้าจะเอาวิชาการทั่วไปนะทั้งโลกเก่งกว่านะเขาสามารถปลูกผมได้ละเขาสามารถปลูกผมใครผมน้อยๆหน่อยเนีย่นย ปลูกให้มันงามๆได้เข้าวะจนสัมผัสไม่รู้เลยว่าปลอมหรือแท้เขาโูษนายอย่างนั้นแหละเพราะในนั้นเนี่ยเขาสามารถตกแต่งทําได้หมดเลยแต่ทําไมเขาไม่บรรลุเป็นพระอริยเจ้าทั้งๆที่รู้ทฤษฎีการเกินเติบโตของเส้นผมหมดเลยเพราะเขาไม่มีกรรมสกตาเพราะไม่มีกรรมสกตาพอไม่มีกรรมสกตาปั๊บสิ่งเหล่านั้นก็เป็นที่อาศัยของอภิชาและโทมานต์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 ถ้ามีความรู้อันนี้เสร็จแล้วผมเนี่ยเกี่ยวข้องกับจิตอย่างไรผมเกียกกยเก่ยวข้องกับจิตไหมเกี่ยวข้องกับจิตนั้นในเส้นผมตรงที่มีกายประษาธะตรงนั้นเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณในส่วนที่มีเป็นกายภาษาทะเป็นที่อาศัยเกิดของกายวิญญาณได้และในเส้นผมยังเป็นอารมมณะปัจจัยของของชาวณจิตจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับเส้นผมเนี่ย มีจิตกี่ดวงอา่าถ้าหากว่ากายวิญญาณก็มีเส้นผมเป็นอารมณ์ได้มีได้ไหมร้อนผ่าวในศีถะมันก็เส้นผมในนั้นอ่ะที่อยู่ในข้างในนั้นก็สามารถเป็นอา ร, รมณปัจจัยของกายวิญญาณได้สัมปติชนะสันติรณะโวทัพนะและชาวนะที่เกิดขึ้นรับอารมณ์ในขณะนั้ น, น, นเวลาถอนหรือไม่ถอนเนี่ยขณะนี้ก็มีร้อนเนี่ยรู้สึกร้อนในสีถะมันจะมี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 อย่างไรอันการเจริญวิปัสสนาเป็นต้นก็คือการทิจารณาเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณถามว่าเราจะพิจารณาเรื่องรูปนั้นอ่ะพิจารณารูปอะไรใช่หมก็ต้องมหาภูต ร, รูปกับอุปาทายรูปมหาภูต ร, รูปนั้นอ่ะคือธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าพระองค์นี้สงเคราะห์อริยสัตว์ลงในกายยาวาหนาคืกเพราะนั้นในกายของเรานี่แหละเน้นซะส่วนใหญ่แม้แต่ในคำพีในพระพุทธศาสนานะเคยได้ยินนะเกษาโลมาณนะขาฐันตาเนี่ยถ้อยํายประเภทนี้มีมากมีหลายแห่งมากแม้แต่ในอภิธรรมปิดกอย่างพูดไว้ในหมวดไหนถูกไหสติปัฏฐานนิ่พังภิกษุในธรรมวิไนนี้พิจรารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้อพิจารณาเห็นใ น, ในกายในกายเป็นภายในภายในยังไงคือภายในตัวเราในตัวคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะการสามสองมาขยายเฉยเลนี่ในสติปฐานที่พังแต่เป็นสุตันตภาชนีเพราะเอากายภายในกายภายนอกก็ผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละเพราะฉะนั้น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 หรือไม่รู้โอยจะเก็บอวิชาไว้ทิไ้ไว้ที่ไหนเพราะถ้าไม่รู้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะข้อไหนเส้นผมเป็นทุกขสัจปัจจัยที่ทําให้เกิดเส้นผมปวดเป็นสมทุทัยสัจถ้าไม่รู้สัจจะเหล่านี้เป็นอะไรโมหะโมหะแต่โมหะเป็นกิเลสที่ว่าโง่แล้วยังไม่ทันรู้ตัวเลยอะ่ะเป็นกิเลสที่เกิดแล้วไม่ค่อยรู้ตัวเลยก็คื <c oughs> ออวิชาท่านอวิชานี้จึงเป็น จักเป็นปุพพานะจักเป็นจักที่ทำให้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นไม่ต้องถามหาที่จบนะถ้าวิชาไม่เกิดถ้าวิชาไม่เกิดยังไม่ถึงความเป็นอริยสั์ของสิ่งเหล่านีา้ถามว่าการกล่าวแบบนี้มีที่มาไหมมีในปฏิสัมพิธามรักเนี่ยจะ ก, กล่าวถึงเคยได้ยินนะเกษาในหัวข้อไปยานเนี่ยเกสา เกสาสมุทัยเกส า, านิโรธเเกสานิโรธคามินีปฏิปทาก็ะดิญนะวันนี้อ่านประวัติของท่านพระสังกิจจาสัมมณี น, น่ะพระสังกิจจาสัมมณี น, น, นั้นท่านออกบวชนะท่านมีศรัทธาคือท่านนั้นเวลาท่านเกิดมาคันแก่ๆหน่อยเนี่ยแม่ก็ตายคื อ, ค อ, คอใกล้จะคลอดและแม่ตายเลยทีนี้ตายสมัยโบราณก็เอาไปเผาเอาไปเผ า, เ า, เผาก็ทําเชิงตะกรไม่อย่างดีเลย ทำเชิงตะกอนแล้วก็จุดไฟเผาทิ้งไว้ทั้งคืนแต่แล้วไฟไหม้ทีนี้เช้ามาเนี่ยเด็กอยู่ในนั้นทีนี้ไอ้สับ ป, ปะเลอเนี่ยที่แทงศพอะแทงไปถูกขางตาพอดีเลยแทงไปถูกขางตาทีนี้พวกพราหมณ์ทั้งหลายเขาก็ทํานายว่าเด็กคนนี้ถ้าออกบวชจะมีภิกษุห้าร้อยเป็นบริวารแต่ถ้าหากว่าไม่บวชชิบหายเจ็ดชั่วตระกูลเจ็ดชั่วตระกูลในชิบหายตอนหลังอายุประมาณเจดขวบก็ตายถามประวัติของตัวเองเนี่ย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 พวกไอ้ไม้ที่เขาทิ่มศพอ่ะคือในการเผาศพนั้นจะต้องมาทิ่มมาแทงถ้าไม่ทิ่มไม่แทงปั๊บมันก็เผายากทีนี้ท่านก็สังเวชใจแล้วก็ออกบวชออกบวชนี้เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรก็สอนกรรมาฐานให้เอสาโลมานะขาธันตาโกนครเป็นพระอรหันเลยเขาบอกว่าขณะที่มีโกนจรดศีษะก็บรรลุเป็นพระอรหรอันเฮ้ยทาไมท่านมีบุญขนาด น, นั้นกันด้วยนะ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 กรรมที่บุคคลควรเสพเป็นอย่างไรกรรมที่บุคคลไม่ควรเสพเป็นอย่างไรกรรมอะไรที่ขพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานกรรมอะไรที่ขพเจ้าทําอยู่พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขตลอดกาลนานก็เข้าไปทําแล้วว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรทั้นอันนี้สงอนนั้นก็ทําให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เจริญด้วยที่เรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าเราเทพเราอื่นด้วย สิบอย่างว่างั้นเถอะก้า่วงเทพด้วยทิพสิบอย่างคือหนึ่งสุขอายุวันนะสุขาภะสุขที่เป็นทิพปฏิพัน์ที่เป็นทิพวงนี้และรูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะเป็นต้นที่เป็นทิพเพราะฉะนั้นนี้เป็นผลของการเข้าไปรักถามส ม, มณะพรามเป็นต้นพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มหาปุริสลักษณะคือมีผิวละเอียดเพราะผิวละเอียด ทุลีละอองไม่ติดพระวรากายเลยพระพุทธเจ้า น, นี่ไม่มีขี้ใครไปเปื้อนอะไรทั้งนั้นแหละแต่พระ อ, องค์ก็ยังล้างเท้าพระ อ, องค์ก็สงน้ำเขาบอกว่าสงน้ำหนึ่งเป็นประเพณีของโลกสองคนที่เขาทำบุญเขาจะได้บุญและอีกข้อหนึ่งก็คือเพื่อเอาอุตุกกายวิญญาณ น, นั้นเป็นปกตูปะนิสยะปจัยแกชวนะด้วย ท, ที่สี่สํำคัญมากกายวิญญาณเนี่ยความสาคัญของกายวิญญาณที่มีอิทธิพลต่อ ต่อชาวนะจิตก็แค่ดูนะอาบน้ํากับไม่อาบน้ําแตกต่างกันไหมสภาพจิตเราต่างกันเยอะนะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากถึงฝุ่นละอองไม่ติดก็จริงแต่พระองค์ก็ส่งน้ําอะไรอยู่มหาปริศละักษณะเส่งได้จากผลของกรรมอันนี้ผู้ที่มีมหาปริศละักษณะอันนี้ถ้าครองเรือนจะได้ผลคือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจะได้รับผลพิเศษคือมีปัญญาา ม, มากกว่ากรรมะโพคีบุคคลคนมีผิวพรรณดีฉลาดเท่าไง นี่ยนตามตำราเ น, นี่ยนะพิพันธ์ละเอียดมีปัญญา ม, มากมีปัญญา ม, มากกว่าคนที่บริโภคกรมด้วยกันถ้าออกบวชจะได้เป็นพระอรหรันต์ตัสมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีกิเลสกิเลสเนี่ยเปิดออกแล้วถามว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะได้รับผลพิเศษอะไรขึ้นบ้างได้รับอ น, นิสงส์อะไรบ้างจากจากการสะสมกรรมประเภทนั้นก็จะทำให้พระองค์เนี่ยมีมาหาปัญญาหนึ่งนะ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 ชวนะนี่แปลว่าเร่นหรือเร็วชาวนะปัญญาเป็นชไหนะชาวนะปัญญาคือรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมีในภายในมีภายนอกอย่าละเอียดเร็วหรือประนีตรูปใดอยู่ไกลหรือใกล้รูปนั้นทั้งหมดย่อมเล่นไปโดยเร็วเล่นไปยังไงปัญญานี้แล่นเข้าไปในรูปทั้งสิบเอ็ดกองเนี่ยเล่นไปยังไง แล่นไปโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาปัญญาที่แล่นเข้าไปในรูปนะชั้นต้นก่อนรูปรูปคืออะไรภูตรูปกับอุปาทายรูปภูตรูปมีสมุทฐานเท่าไหร่มีสีอย่างกรรมจิตอุตุและอาหารในภูตรูปและอุปาทายรูปนั้นยังต่างประเภทออกเป็นอดีตอนาคตปัจจุบัน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 เอาจากข้อความในดีกาตาลขณาสูตรมาอธิบายคาว่าอ น, นิจจัง อ, อ น, นิจจังอีกอย่างหนึ่งก็บอกด้วยเหตุสี่ประการเพราะมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นที่สุดคำว่าอ น, นิจจังนะสองความเป็นของชั่วคราวสามมีความแปรปลวนเป็นที่สุดสี่ค้านต่อความเที่ยง ที่เชื่อว่าความที่รูปมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นที่สุดเพราะเป็นไปด้วยอำนาจความเกิดขึ้นและด้วยอำนาจความดับไปทุกๆขณะในตัวเขาเองก็ยังมีอุปาทะทีติทังคะด้วยในชั้นละเอียดที่สุดเลยในชั้นที่เริ่มขยายเข้ามาอีกก็เป็นไปตามสมุดฐานนั้นๆรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็อยู่เท่ากับจิตที่เป็นสมุทฐานอุตูเป็นสมุทฐานก็อยู่เท่ากับอุตูที่เป็นสมุทฐาน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 แล้วต่อไปอีกชื่อว่ามีความเป็นของชั่วคราวเพราะเป็นของมีอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นขณะนั้นนะ่ะ น, น, น, นะเรามองงี้ว่าขณะที่เป็นอยู่เนี่ยนะห้าหกสิบปีเจสิบปีหรือกี่ปีก็ตามเถอะมันก็แค่ขณะ น, นี้ระยะสั้นๆเองเดี๋ยวก็หมดไปแล้วเตือนทอนถ้าเห็นสันตติก็เห็นขณนะ ด, ด้วยนี่ย น, นะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งต่อไปนะเพราะค้ามต่อความเที่ยงที่ที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ย ที่เชื่อว่ามีความแปรปรวนเป็นที่สุดเพราะมีความเป็นของแปรปรวนจริงอยู่รูปเมื่อแปรปรวนไปด้วยถึงความมีความเกิดขึ้นเป็นต้นย่อมถึงความที่ห น, น้าไปแล้วก็แปรไปเรื่อยๆนั่นแหละสี่ชื่อว่ามีสภาพที่ไม่เที่ยงนั้นชื่อว่าปฏิเสธต่อความเที่ยงจริงอยู่สิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเชื่อว่าย่อมปฏิเสธเป็นสภาพเที่ยงโดยอดัตถเพราะความที่ตนนั้นเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงนั่นแหละ ันคนที่มีปัญญาไวก็สา ม, มารถที่จะเล่นไปในภูตรูปและอุปาทายรูปเหล่านี้ทั้งที่เป็นอดีตอดีตก็ไม่เที่ยงอนาคตก็ไม่เที่ยงปัจจุบันก็ไม่เที่ยงเขาบอกว่ามีวิธีการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งนะรูปในพบอดีตก็ไม่ถึงพบนี้เพราะฉะนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกแปรนาตตามหมดไปแล้วในพบที่แล้วรูปที่มีในพบหน้าถ้าจะมีต่อไปอีกนะก็ไม่ถึงพบต่อต่อไปอีกก็มีอยู่ในพบนั้นแล้วก็หมดในพบนั้นรูปที่มีอยู่ในพบนี้ก็ไม่ถึง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 ถ้าไม่มีรูปพระอย่างหนึง่งทุกขกายญวิญญาณเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้เพราะอาศัยกายยปภาษาทรูปนั่นแหละทุกขกายญวิญญาณจึงเกิดแถ้าไม่มีกายยะวิญญาณจะไม่แสบตาเลยไม่มีกายยะวิญญาณจะไม่เจ็บหูเลยถ้าไม่มีกายยะวิญญาณไม่ปวดฟันดะ้วยแต่นี้มีกายยะวิญญาณเลยปวดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเล่าร้อนเขาวงกันเพราะมันเป็นไปด้วยอำนาจทุกขทุกขเป็นต้น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 รูปก็มีอุบายเป็นเครื่องสลัดออกอคูณของรูปนะข้อความในมหาทุกขขันทสูตรในมัชชิมนิกายมหาทุก ข, ขันทัสูตรพระองค์ก็ถามว่าอะไรเป็นอัศาธาของรูปเขาบอกว่าเพิ่งเห็นอัศาธาของรูป อ, อยากขยยกตัวอย่างว่าเหมือนกับบุตรสาวของกษัตริย์มหาสารหรือพรามมหาศารผู้มีวัยประมาณสิบห้าสิบหก ผิวพรรณเปล่งปลั่งเป็นต้นนะนะความงดงามนั่นแหะอาสาทะของรูปอะอาโทษของรูปเป็นยังไงก็บอกเพิ่งเห็นนางสาวคนนั้นนั่นแหละโดยล่วงการผ่านไปไวได้แปดสิบเก้าสิบร้อยปีงกงเงินเินอะไรเนี่ยโทษของรูปอาสาทะของรูปอาทั้งวัตถุและอารมณ์เจนพนทั้งสิ่งที่เข้าไปยินดีทั้งสิ่งที่ที่ถูกยินดีด้วยทั้งสองอย่าง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 แล้วอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปทํำยังไงไปฆ่านางสาวคนนั้นเลยใช่ไหมเอาจะได้พ้นไงจะได้สลัดออกใช่ไหมคําสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมทํำยังไงอะ่ะการละฉันทราคะในรูปพระองค์เขาบอกว่าท่านจงตัดความเยื่อใหญ่เสถเธอพรามณ์ก็คือสอนให้ละไอความยินดีความติดใจอันนั้นแหละไม่ได้ให้ไปทําอะไรกับดอกไม้หรอกดอกไม้เขาก็เป็นอย่างนั้นของเขานั่นแหละ แต่ว่าไอความติดใจพอใจในดอกไม้อ่ะถ้าผูดอีกจานวนหนึ่งนะก็คือละชั้นราคะนั่นแหละเป็นนิสรณะอ่าชั้นราคาจะละได้ด้วยถ้าในรูปนะอนาคามีมัละได้เด็ดขาดเลยที่จะไม่ยินดีในรูปเลยก็คืออนาคามีมั้งเอาเด็ดขาดนะถ้าไม่เด็ดขาดก็เจริญอสุภาษมากๆก็ก็พอได้แล้เจริญอสุภาษก็เป็นเรียกขำพระนะถ้าเจริญ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 รูปทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตาคือพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละคือศัก์แต่ว่ารูป น, นะแต่ว่าภายนอกมันไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายก็คือถ้าเป็นอนินทรียะพัทรูปคือรูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับอินทรีย์ใช่ไหมย mm hmm. อย่างดอกไม้มีรูปอยู่แปดรูปคัเองคืออวินิ婆คโป ร, รปแปดมันก็พิจรารณาไม่ยากนะไม่มีรายละเอียดเกินไปนะเชินทอนอย่างเช่นตัวอย่างในวิสุทธิมัต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 แต่วิธีการกล่าวแบบละเอียดละเอียดนั้นซึ่งเวลากล่าวตรงนี้คงคงไม่ไม่ไม่ไมไมพออันถ้ามีโอกาสเราได้กล่าวเรื่องรูปแบบพิสดารกันอนาคตสกาทีนี้ต่อไปเนยะพิจารณารูปโดยความเป็นอนัตตาเลยที่ว่าไปเมื่อกี้อ น, าตานัตตนี้ก็คือไม่เป็นไปในอำนาจไม่เป็นเจ้าของหนึ่งว่างเปล่าหนึ่งปฏิเสธอัตตาหนึ่ง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 รูปบางอย่างก็เป็นรูปายตนะแต่ละอย่างก็เป็ น, นอายตนะของเขาของเขาเพราะอายตนะนั้นก็จะเป็นปัจจัยอีกสิ่งหนึ่งจากสิ่งนี้เป็นปัจจัยแก่สิ่งนี้เหตุเดียวทําให้เกิดผลเดียวมีไหมในโลกนี้ไม่มีเหตุเดียวที่ทําให้เกิดผลเดียวแล้วมีผลเดียวที่เกิดจากเหตุเดียวมีไหมไม่มีเหตุเดียวไม่สามารถทําให้เกิดผลเดียวได้ผลเดียวก็ไม่สามารถทําให้เกิดเหตุเดียวได้แสดงว่าเหตุ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 เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายเป็นไปเพื่อตัดขาดแห่งปัญญาไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานในทเวทาวิตัคสูตรมัชฌิมนิกายมูลปนานาเล่มสิแปคือเขามีเคยขึนะ้นไหมเขาบอกว่าถ้าหากว่าปุถุชนจะเป็นพระริยเจ้าเนี่ยทำยังไงเขาบอกพิจารณาขันห้าถ้าเป็นพระโสดาบันจะเป็นพระสกท า, าคามีทำยังไงพิจารณาขันห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 พ ana, ży, ㅎ, ina, ane, ates, ży, three, trendy, ิจารณาทุติยชานโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกไปานตาเข้าตาติยชานอย่างเงี้ยจนถึงเข้าอากินจัญญายตนะพิจารณาอากินจัญญายตนะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกไปานตาเข้าเนวสัญญาณสัญญาญตนะออกจากเนวสัญญาณสัญญาญตนะจึงกันดับสัญญาและเวทนาได้นี่มันต้องเรียกว่าถ้าเจริญวิปัสนาอย่างเดียวเข้าพระสมาบัติถ้าเจริญสมถะอย่างเดียวเข้าฌานสมาบัติถ้าทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเข้า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 เป็นอัธยาศัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นในเรื่องของอนัตตาต่ออีกนิดหนึ่งนะว่าความเป็นอนัตตก็คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นไม่มีเจ้าของถ้าพูดแบบภายนอกนะแก้วน้ํานี่มอของใครอยู่ในมือใครของคนนั้นแหละเรียกโดยสมมุตินะแต่เขาก็คือวินิโพค ร, รูปอาจจะว่าของใครได้เพราะวินิโพค ร, รูปอันนี้ประชุมพร้อมของปัจจัยเส้นผมเราก็เหมือนกันจะว่าของเรามันก็ไม่เชิงนั่นนะ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 เกาแๆกๆไปอ g, Connie, studied, so like, hopping, ีกนะเขาจะไม่รีบตอบนักหรอกนะนะก็นั่นแหละเป็นปัจจัยถ้ารูปารมณ์หรือว่าคันธารมมรละสาลมนั่นแหละเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งโดยอารมณปัจจัยปัจจัยอื่นๆของกุศลอีกก็คือปากตูปะนิสยาปัจจัยของกุศลอนันตระปัจจัยของกุศลสัมปยุตตปัจจัยเป็นต้นของกุศลนั้นๆกุศลจิตก็ปัจจัยตั้งเยอะแยะนะสัมปยุตธรรมของกุศลจิตนี้มีเท่าไหร่ ถ้าสำนวนอภิธรรมมัตสังขหานะประมาณไม่เกินกุศลจิตที่มากที่สุดเลยมีเจตสิกประกอบสามสิบหกดวงในเฉพาะในมรรคจิตประเภทที่สงเคราะห์เป็นปฐมฌานะนอ่ะสามสิบดวงเว้นอัปปมัญญาสองเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าสำนวนอภิธรรมปิฎกกุศลธรรมเกินกว่าห้าสิบกุศลธรรมเกินห้าสิบแต่ว่านับแล้วนับอีกเช่นศรัทธาเป็นศรัทธาพระสัททินรี อมีศรัทธากับศรัทธาพระมีสองอย่างไหมถ้าหากว่าสติอะเป็นทั้งสตินีสติสัมโพชงสติพระสัมมาสติอย่างเงี้ยการที่กล่าวซ้ําๆอย่างนึ้จกล่าวว่ากุศลธรรมเกินกว่าห้าสิบนี้เป็นสำนวนของอภิธรรมปีกที่เป็นพุทธพจน์เลยก็ต้องถามว่าสำนวนไหนอีกครั้งหนึ่งนะอะเนาะเรื่องยาวจริงๆเลยแต่เรื่องเดียวเนาะจนกว่าจะประกอบเสร็จอะทีนี้ต่อไปอีกนะว่าที่เป็นอนัตตาเพราะอาจว่าว่างเปล่า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 เพราะฉะนั้นจริงชื่อว่าว่างเปล่าแต่รูปมีอยู่นะรูปมีอยู่แต่ผู้อาศาาัยผู้สร้างผู้สวยผู้ดำรงไม่มีเพราะฉะนั้นจริงชื่อว่าว่างเปล่าสุญญาตาไงสุญญาตาหรือว่าโดยความเป็นธาตุมันเป็นลักษณะนั้นแหละถ้าคิดอย่างนี้ส ก, กายยะทิฐิไม่เกิดแต่ถ้าคิดอีกอย่างหนึ่งปุ๊บส ก, กายยะทิฏฐิเข้ามาทันทีเลยถ้าส ก, กายยะทิฐิจะเกิด น, นะเกิดลักษณะในสมมติ ง, ง่ายๆเลยนะเอเราในชาติที่แล้วมันเป็นอะไรมั ทำบุญอะไรมาจึงมันมาเกิดเป็นอย่างนี้ถ้าชาติหน้าเราจะเกิดอีกนะนจะไปเป็นอะไรนะเออแล้วตายจากชาติหน้ามันจะไปเกิดเป็นอะไรอีกเนี่ยลักษณะของสา ก, กายะทิฏฐิมันจะเป็นไปในลักษณะนี้ตายแล้วเกิดไหมตายแล้วเกิดไหมรู้ไหมตายมันศูนย์อมันศูนย์นั่ศูนย์ยังไงวะเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้นะคิดแบบนี้บ่อยๆเยสา ก, กายยะทิฏฐิจะเข้ามาแล้วเข้ามาเสร็จแล้วไม่แน่กระเดียบเป็นอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิต่อไปเลยเสร็จแล้วก็เป็นทิฏฐิที่คนแก้ไขไม่ได้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 ที่ไกลหรือใกล้ทั้งหมดนั้นแล่นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นชาวณปัญญามีปัญญาไวเมื่อไหร่จะไวอย่างนี้มั่งนะจะไวได้ยังไงโถไม่เคยซ้อมเลยก็เขาบอกว่าคนที่ยิงปืนที่ยิงได้ไวยิงได้ไกลยิงได้แม่นยำเนี่ยเขาซ้อมประจำเลยนะไม่ซ้อมเนียวมือตกพิจารณาเรื่องนี้ก็เหมือนกัน ผมไม่เคยซ้อมเลยแหมจะชักมาก็ยิงปังปังปั ง, ง, งเอ า, าเฉพาะจุดตายด้วยโอ้โมันจอะไรจะขนาดนั้นนาะคือพอปฏิเสธพอคิดไปนะมันจะคิดเอเรานี่เป็นใครวะเรานี่มาจากไหนีเ่เรานี่มีคนสั่งมาหรือเปล่าวเนี่ยมีคนควบคุมเราหรือเปล่าวะตอนนี้ เ, เราหรือเราไม่เป็นตัวของตัวเองหรือว่าไอ้ที่เราทำทำนี่มันใครให้ทํากันแน่ทําไปทําไมวะเนี่อยออทําแล้วที่สุดของการกระทํานี่มันจะเป็นยังไงนะ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 รีบสแสวงหาความสุขเถอะอันคิดให้มันเป็นบาปนะพักเดียวไม่ยากในเรื่องของการคิดนึกนั้นมีความสำคัญมากชีวิตขนาดไหนบ้างที่ไม่คิดนึกมีตกเกลร่วมกับจิตกี่ดวโอ้เจ็ <7 S 2> ดว ง, ดงวเลยนะมีตกนั้นชีวิตของพวกเรานงะโลภะก็มีวิตก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 ผู้เห็นทางสองแพร่งนี้แล้วก็พึงประกอบขนทางที่จะทำให้ปัญญาได้เกิดขึ้นอยู่ในคาถาธรรมบทจะพอในคาถาธรรมบทถ้าฉบับนี้เล่มสี่สิบสามอ่าเล่มที่สิบตามในคาถาธรรมบทที่สูตรว่าด้วยจับเฮียดียนะจับเียเรื่องพระโปติละพระโปติล ะ, ะ, ละท่านกล่าวไว้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 ก็วความคิดนี้บางครั้งมันร่วงกรรมบดนะถ้าเป็นอกุศลเนี่ยบางครั้งก็ร่วงกรรมบดนะคิดแช่งชักหักระดูกใครเข้ า, าสวยละหรือว่าคิดไปไม่ดีก็เป็นมิจฉาทิฏฐิขณะนั้นก็เป็นชาวดวงที่เจตให้ผลนําเกิดเพราะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะสิ่งที่มีโทษมากที่สุดเลยเพระองค์บอกว่ามิจฉาทิฏฐินี่มีโทษมากที่สุดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเกิดจากการคิดเขาบอกว่าถ้าคิดถึงเจ็ดครั้ง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 โรคไหนพรหมมรุโกโอ้คิดใครได้คิดได้ขนาดนี้นี่วิเศษเลยนะแต่ก็อย่างว่านะแค่คิดจะให้กับการรบเนี่ยเสมอกันพระองค์ว่า ย, ยัางไงเปื่กิ้นี่ว่าเพราะปูธีละใช่ไหมฮะเช่นพานที่ว่าเจอทางสองสองสองแท่งสองแท่งก็คือการประกอบกับการไม่ประกอบการคําว่าประกอบหมายถึงว่าโยนิโสมนัสิการใช่ไหมครับเช่นพานคำว่าประกอบเนี่ยก็ประโยชน์ค่าก็เหมือนกัน คือท่านพระโปติละนี่เป็นเป็นผู้ทรงพระตาบิดกอยู่แล้วอ๋อเป็ น, ปนพระฮะเป็นพระที่ทรงพระตาบิดกอยู่แล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ท่านเป็นพระราารอรหันต์เยอะแยะไปทีนี้ท่านเนี่ยไม่ได้บรรลุอะไรเลยตอนหลังพระองค์ก็จะสงเคราะห์นะเห็นพระโปติละมาก็บอกมาแล้วเหรอโปติละเปล่าไปแล้วเหรอโปติละเปล่าทักอยู่แต่อย่างนี้เรื่ อ, อยน้อยใจเอ๊ว่าเราเปล่าก็เลยอย่างเราเนี่ยมันจะกี่วันเชีเกิดมาณไปก็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 เสร็จแล้วก็บอกว่ามีจอมปลวกจอมปลวกหนึ่งมีหกรูว่างไางมันก็ปิดห้ารูแล้วก็ขุดเอารูสุดท้ายนะอุดห้ารูที่เหลือลท่านก็บอกว่าท่านก็เข้าใจทันทีเลยก็คือพึงตั้งกรรมฐานเอาไว้ในมโนทวารตั้งกรรมฐานเอาไว้ในมโนทวาร<อ>เสร็จแล้วท่านก็พิจารณา<อ>ธรรมะอยู่พระองค์ก็แป่งรัศมีมาแล้วก็กล่าวคาถาบทนี้จบท่านก็เป็นพระอรหันต์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 มันก็เมื่อกี้เราพูดถึงวิตกนะแล้วแต่เราจะคิดอ่ะเอามาโนทวานนั้นมาคิดเรื่องจากรู่ทวานก็ได้เอามาโนทวานคิดเรื่องโสตาก็ได้คิดเรื่องทางหูก็ได้เอามาโนทวานมาคิดถึงเรื่องทางกายก็ได้เอามาโนทวานมาคิดเรื่องเล็บก็ได้แล้วแต่จะน้อมไป่วิตกแล้วแต่คิดเอาอา่ะการเจริญความคิดลักษณะนี้บ่อยๆเป็นความความเจริญครัพูดอีกในหนึ่งนะ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 ไปนั่งแกะทุกคํำนะเดี๋ยวก็เบื่อละมันก็ต้องอ่านให้ผ่านไปก่อนครั้งสองครั้งสามครั้งจึงจะเข้าใจวิตกนั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยใช่ไหมเจตนาตัวนั้นเป็นตัวกรรมนี่โดยกรร ม, มะปัจจัยแต่ตัวอกุศลทั้งหมดเนี่ยนะปกะตูที่ไม่ดีละตัวมันเองเป็นตัวที่ไม่ดีมันเป็นไฟชนิดหนึ่งเหมือนกันวราคขินาโทสักินาโมหคินา ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะแล้วในขณะเดียวกันนะมันเป็นอุปนิสัยให้ชาวนะต่อ ต, อตอไปโดยปกตูปะนิสยะปัจจัยแล้วคนที่สะสมความคิดอันนี้บ่อยๆเข้าไปที่ไหนมันจะชำนาญในความคิดลักษณะนี้เป็นผู้ที่ชำนาญในความคิดแบบนั้นถ้าลองฝึกสมมตินะไม่ไม่ได้แนะนำเพียงแต่ลองคิดดูนะลองฝึกบงแบงไปเรื่อยๆนะฝึกงี่เง่า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 แล้วในขณะเดียวกันนะตัวนี้มันยังไปเป็นปากกตูปานิสยะปาจใจแกคนอื่นๆด้วยนั่งอยู่ตรงนี้นะคนที่โกรธนั่งอยู่ตรงนี้ตรงเดียวแคนะ่นั้นแหะคนอื่นเนีเ่ยง้อยหมดเลย <c oughs> พระพุทธเจ้าบอกว่าคนบางคนนะหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดคนบางคนวางเฉยแล้วก็หลีกห่างท่านในตรงนี้นะเราต้องศึกษากรรมมส ก, กตาให้ชัดเจนที่สุดถ้าเราโกรธใครบาปใครมีโทษใครจะไปในรก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 เล่นไปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะเราถนัดทวารไหนดีถ้าบอกวิญญาณมีหกใช่ไหมวิญญาณหกจักรคูวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชีวหาวิญญาณและมโนวิญญาณสัญญาเท่าไหร่สัญญาหกถ้าวิญญาณเขาเรียกว่าจักรคูวิญญาณเออเป็นวิญญาณที่อาศัยจักคูถ้าสัญญาเขาเรียกรูปประสัญญาก็เกิดที่เดียวกันนั่นแหละ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 สัญญาตรงนั้นเรียกว่ารูปประสัญญาเจตนาเรียกว่ารูปประสัญเจตนาก็ที่เดียวนั่นแหละวิญญาณเหล่านี้นะจกักขูวิญญาณเป็นอดีตไหมก็คือจกักขูวิญญาณที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตจกักขูวิญญาณข้างหน้าเป็นอนาคตกาลังเห็นเป็นปัจจุบันเราเห็นอยู่คนเดียวใช่ไหมอ่าแสดงว่ามีภายนอกด้วยคนอื่นเขาก็เห็นนั่นเรานั่นแหละอันภายในภายนอก หยาบละเอียดเลวประน kind of ิดคาว่าหยาบละเอียดนี่เมื่อเทียบกับอย่างอื่นนะสมมติถ <c parliament> ้าจกคูวิญญาณที่เป็นอาคุลวิบากก็หยาบกว่าที่เป็นกุศลวิบากอันหยาบละเอียดต่างกันอาคุลวิบากใกล้ต่ออาคุลวิบากอาคุลวิบาศกับกุศลวิบากไกลกันยังไงแล้วก็เทียบเคียงทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหยาบละเอียดเลวปณีนสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง ไม่เที่ยงก็คือมีแล้วก็หามีไม่มีแล้วก็หมดไปแต่เราต้องไม่ลืมนะว่าจากครูวิ ญ, ญญาณเกิดโดยประการใดปัจจัยที่ทำให้เกิดจากครูวิญญาณคืออะไรบ้างถ้าหากว่าผู้ใดกล่าว บ, บอกเออจากครูวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั่นแหละก็ท่านนั่งดูชั่วโมงหนึ่งแหม่มันก็เกิดชั่วโมงเคยนั่งดูหนังไหมดูโหเป็นชั่วโมงชั่วโมงกับพิบตาไม่กี่ครั้งเองนะก็ดู อยู่องจากขูวิญ ญ, ญาณสืบเนื่องตลอดนะลองไฟดับดูสิโอ้โหเรื่องใหญ่เลยเพราะนนั้พระองค์จึงไม่กล่าวว่าอ่าการพิจารณ า, านั้นเดี๋ยวมันก็ดับเองแต่พิจารณาเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยของจากขูวิญญาณ น, นั้นมากๆสช่ไหมอย่างเมื่อกี้กล่าวถึงเรื่องวิตกพระองค์น่าจะบอกว่าอ้ ว, วิตกปทาทาถีติพังคะดับไม่กล่าวนะแต่ว่าวิตกนั้นจะดับโดยการพิจารณาพิจารณาว่า มีโทษเมื่อเราพิจารณาว่าเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนวิตกนั้นก็ดับไปคือระ ง, งับไปพิจารณาว่าวิตกอันนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นวิตกนี้ก็ระ ง, งับไปพิจารณาว่าวิตกนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายวิตกอันนั้นก็ระ ง, งับไปแสดงว่าระ ง, งับวิตกด้วยการพิจารณาพฉะนั้นถ้าบอกว่าจะละพวกนิวรนเป็นต้นละด้วยตะทางข้าประหารละด้วยวิขมพนะประหารท่านไม่ค่อยกล่าวว่าโอ้มันเกิดดับ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 เพราะว่านี่ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของจักรคูวิญญาณแม้แต่จักรคูภาษาธ ถ, าถ้าหากว่าตาได้รับอาหารไม่ดีเนี่ยอาหารปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะต้องหยุดดูต้องต้องต้องพักสายตาต้องพักสายตาจ<ช>นถานจนถานเพราะเราเห็นว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัจจัย ท, ทั้งสิ้นจนถานพันตาก็เกิดด้วยปัจจัยสีก็ด้วยปัจจัยแสงสว่างก็ด้วยปัจจัย แล้วมณสิกาเนี่ยเป็นตัวสําคัญส่วนหนึ่งที่ทําให้จิตเห็นเกิดถ้าไม่มณสิกานะใครก็ว่าเออลืมตาเนี่ยนะใครเอามือยังไม่เห็นเลยเอามือมาปัดข้างหน้ายังไม่เห็นเลยเ อ, อ๊ะหลับหรื อ, อยังหรือก็เหมือนบางคนก็เห็นนะหลับลืมตาเ อ, อ๊ะแปลกใจหลับได้ยังไงมันก็ลืมตาอยู่นั่นแต่ก็หลับนะกรนด้วยเออบางคนเนี่ยเป็นอย่างงั้นเลย <c oughs> ลืมตาแป๊วนั่นแหละแต่หลับไปแล้ว แต่ว่าจิตเห็นเนี่ยนะส่วนหนึ่งทําไมคนจึงเห็นไม่เหมือนกันนั่นแหละกรรมแตกต่างกันนั่นมาจากกรรมที่แตกต่างกันการเห็นเหล่านี้เนี่ยนะถ้าไม่มีกรร ม, มสกตาเข้ามาด้วยจะไม่เกิดประโยชน์นะดังนั้นความชัดเจนในเรื่องกรรมมสกตามากๆขึ้นเพราะถ้าเข้าใจกรร ม, มสกตามากขึ้นปุ๊บเราจะไม่ปล่อยให้จิตที่คิดเรื่องนี้เนี่ยเป็นอาุศนวิตตกได้ง่ายๆเราจะไม่ปล่อยให้สภาพจิตเนี่ยเป็น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 การเห็นเนี่ยมีเฉพาะจากขู่วิญญาณใช่ไหมจิตอื่นๆรู้ตามไหมจิตอื่นๆรู้ตามจากขู่วิญญาณไหมมีมโนทานสัมปติชนะสันติรณโวทัพณะชาวณะมโนทวานวิถีก็เป็นจิตที่รู้ตามจากขู่วิญญาณอีกนั่นแหละอันนั้นเป็นชาวนะอันนั้นเป็นชาวนะเราจะปล่อยตามยะถากรรมให้ความคิดเรามันจะไปตามยะถากรรมจริงๆนะกรรมไหนอ่ะคันนี้เจนพเพราะฉะนั้น อริยมรรคมีองค์แปดนะจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ที่ชาวนะนั่นแหละถ้าหากว่าผู้ที่เห็นคุณค่าปั๊บจะเห็นทันทีเลยว่าสีควรกำหนดรู้ควรพิจารณาจิตเห็นควรพิจารณาจักขูว่าถุควรพิจารณาเรื่องกรรมที่เป็นปัจจัยก็ควรพิจารณาแสงสว่างก็ควรพิจารณาจิตที่รับอารมณ์ต่อจากจักขูวิญ ญ, ญาณก็ควรพิจารณาหรือปริญญานั่นเอง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 สมมติเรานั่งรถโอ้ระยะทางหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลเมตรเนี่ยโอหนี่เราจะไม่ปล่อยไอ้จิตเห็นให้ไปเห็นสเปะสะปะปล่อยความคิดให้เห็นสเปะสะปะเลยหรืออ <c oughs> พวงมาลัยลองหมุนสเปะสะปะดูดิ <c oughs> ความคิดนะมันมีโทษร้ายแรงกว่าปล่อยพวงมาลัยสเปะสะปะอีกแต่สัตว์ทั้งหลายไม่คํานึงคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระไม่ใช่สาระ <c oughs> ถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัว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 ่าบางองค์นะพระพระบางรูปเนี่ยนะความคิดเหล่านี้ไม่เกิดท่านทุกขี่สุดในโลกอะ่ะคือแม้แต่ธรรมดานะคนทั่วไปเขาบอกเออส น, นุกแต่ท่านเนี่ยทุกข์ละเครียดถ้าความคิดนี้ไม่เกิดเนี่ยทุกข์เขาบอกว่าถ้าปฏิบัติถูกทางระดับหนึ่งนะถ้ากุศลไม่เกิดอยู่เป็นทุกข์ถ้าปฏิบัติผิดอยู่เฉยเฉยสนุกมันเป็นอย่างนั้นมันมันจะต่างกันเพราะฉะถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอย่างงี้ปุ๊บนะ ถ้ามันไม่ตื่นตัวสังเวชวัวถุ ต, ต้องเกิดอบายพ้นหรื อ, อยังพระสมัยก่อนท่านบอกกันเอ้ยอบายสี่เนี่ยก็เหมือนบ้านเราอะนะงั้นถ้าหากว่าเราเดินทางตรงนี้ไม่พ้นกลับบ้านเกาเน่าแน่สังเวชวัถตถุก็คือพิจารณาถึงอบายสี่นรกเนี่ยพ้นหรื อ, อยังใช่ไหมหลวงพ่อพระเทวทัตเนี่ยเรามีธุระไปเยี่ยมท่านไมม <c oughs> เปรตอะ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 น้ำนมของแม่ที่ดื่มกินเข้าไปนี่ก็มากมายมหาศาลแลเลือดเลือดของเราเนี่ยนะที่สูญเสียไปในภพชาติต่างๆเกิดเป็นสุกรเกิดเป็นโคเป็นกระเบือต่างๆทุกเขาฆ่าเ ข, า, ขาทิ่มเขาแทงเนี่ยเลือดมากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรอีกวัตทุกข์ในอดีตเนี่ยมันทุกข์กนาดที่ผ่านมาอย่าว่าชาติอดีตเลยชาตินี้เถอะลองไล่นั่งนึกหาความสุขดูที่ตรงไหนที่เราสุขที่สุด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 แล้วต้องแบกอย่างนี้เป็นหลายๆสิบปีคุณต้องแบกข้าวสารกี่กระสอบสมมุติวันละร้อยลูกลูกละร้อยกิโลกรัมก็คูณคูณร้อยเขา้าไปเท่าไหร่ทำอย่างนี้สิบปีจะแบกกี่ตันแบกมากมายมหาศาลถ้าหากว่าเป็นกรรมกรหน้าโม่ปูนโม่ปูนวันละหลายสิบ ล, ลูกอะ่ะตักหินตักทรายอยู่นั่นแหละถามโรคภายไข้เจ็บแต่ละอย่างนะไล่เลย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 กับข้าวเพื่อจะทานมื้อหนึ่งนะหั่นผักไปกี่นาทีนะกว่าจะหั่นกว่าจะประกอบปว่าจอะไรเสร็จเนี่ยนะเอามาเน้นึกชมพวกแม่ครัวเนี่ยขยันจริงจริงทำไอเรานี่ฉันยังยังเบื่อเลยอาจจะว่าบอกตรงๆรฉันยังขี้เกียจเลยนะคือหมายความว่ามันซ้ำซากมันไม่เลิกไม่ละไอของเขาเนี่ยโอ้ชาวเดี๋ยวก็ผัดปั๊บปับดังงม่งบ่งแมแม่งอละเดี๋ยวกว่าจะทานเสร็จเก็บล้างอ่าหมดไลยละจะเที่ยงอีกแล้วเอาไหมเราบ่งแมบงม่งบ่งแมองว่าจะเก็บก็เก็บ ป้้มล้างอเย็นอีกบางคนมีพิเศษอีกผิดเวลายผมวันหนึ่งกี่รอบสี่ห้ารอบเข้าไอาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งอะ่ะคูณเข้าไปดิเดือนหนึ่งกี่ครั้งอะ่ะปีหนึ่งกี่ครั้งอะ่ะแล้วสิบปีมันกี่ครั้งแล้วทั้งชาติแล้วถามว่าในขณะที่ทํานั้นๆเนี่ยมีจิตด้วยไหมจิตเป็นกุศลหรือไกุศลใช่ไหมที่แต่ทาเพื่อให้ทานเป็นต้นก็เป็นกุศลมีกี่ครั้งอะ่ะ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 ไม่ให้เป็นกุศลหรือไม่เจริญกุศลในขณะนั้ น, น, นปล่อยจิตไปละขณะแต่ละขณะขผ่านไปด้วยความบันเทิงนะพระองค์ยังบอกว่าจะมัวเรื่อนเริงบันเทิงอะไรกันอยู่หนอ <c oughs> เมื่อโลกอันไฟลุกโพล่อยู่เป็นนิดความมืดเนี่ยปกคลุมอยู่ทําไมไม่แสวงหาปฐิตอวิชานี่มันห่อหุ้มอยู่ตลอดเวลาทั้งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราไม่เคยสังเวชใจเลยเนะี่ยทีนี้อา่ามาพิจารณาเรื่องทางตาเนี่ยพอสมควรนึกถึงพระสูตรเลยนะ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 โอ้โมันสะสมอวิชานี่มากมายขนาดไหนโอ้โหสังเวชใจเลยนะมองเห็นโอ้โหอวิชาเรามากขนาดนี้เลยเลยเหรอเมื่อก่อนเราก็นึกโอ้โอะไรก็รู้หมดนะใครจะพูดเรื่องอะไรเราก็พริ้งออกกันนะกิเลสมันได้ช่องเลยเนะทีนี้พอมามา ค, ค่อยคิดอย่างนี้เข้าเอ๊ะนี่ถ้ามองเห็นนาฬิกาปั๊บนะถ้าไม่พิจารณาเรื่องนี้อวิชชาไปกินอีกแล้วถ้าจิตไม่เป็นไปกับกุศลที่เหลืออวิชชาตลอดเลยอวิชชาเนี่ยเป็นไปทางตาเนี่ยมาก แล้วหูเราต้องได้ยินเนี่ยทั้งวันเลยอะถ้าไม่เพ่งเรื่องราวเหล่านี้อวิชา ก, กว่อีกิงละหายใจเข้าหายใจออกเนี่ ย, อยหอมใช้แชมพหมแกลิ่นหอมนี่แล้วกันลืมปัจเจก์ลืมพิจารณาเป็นธาตุเป็นอะไรอีกแล้วเลยอาวิชาโอกลิ่นนี่ดีตันหาเกิดขึ้นก่อพบใหม่ตัวความยินดีในอารมณ์นั้นนั้นเป็นตัวก่อพบใหม่เฮ้เราไม่เคยคิดเลยวเอ้ความเพลินในอารมณ์เหล่านี้เป็นตัวก่อพบใหม่ไม่ไม่ค่อยคิดเลย อ่าเพิ่งมาสังเวชใจไม่นานมานี้เองโอหพระผู้เจ้าทําไมพระองค์เก่งเหลือเกินไอความเพลินในอารมณ์นั้นๆเนี่ยเป็นตัวก่อพบใหม่ซึ่งเราไม่เคยเห็นโทษเลยมูสัตว์ทั่วไปนะสนับสนุนทํายังไงคนจะได้เพลินในอารมณ์นั้นนั้นแต่คําสอนของพระผู้มีพระภาคบอกไอความเพลิดเพลินอันนั้นเแนบบี่ะเป็นตัวก่อพบใหม่จึงเห็นโอ้โหพระองค์นี้เกือบไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีคนสอนแบบนี้สอนว่าไอความเพลิดเพลินเนี่ยคือกู ต้นตอแห่งวัตทุกต้นตอแห่งสังสารทุกข์ต้นตอแห่งชาติชาาพยาทีมรณะทั้งหมดเลยคือความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นนั้นเป็นปัตูเพื่อปฏิสนธิต่อไปเพราะไอ้ความเพลิดเพลินอันนี้เนี่ยเป็นตัวไปดึงไปดึงเจตนาเพื่อ น, นำเกิดในภพต่อไปฉะนั้นความเพลิดเพลินอันนี้จึงเป็นเหมือนกับแม่พาให้สัตว์ปฏิสนธิในภพ ต, ต่อไป ปัญหาวิชาอุปาทานพวกนี้เป็นเหมือนแม่กรรมเนี่ยเหมือนกับพ่อสองอย่างประจวบกันเข้าออกเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นการเกิดของเราเนี่ยนะสมมติถ้าเราจะพิจารณาเรื่องจุติจิตต่อเนี่ยจุติจิตเนี่ยจะต่อเกิดจากทวารไหนได้บ้างทางตาเนี่ยถ้าจุติจิตจะเกิดทางตาปั๊บเนี่ยจกขุวิญญาณสัมปติชนะสันติระนาโวธัพณชาวนาห้าดวงจุติดอได้เลย หรือตาธารมณนะเสร็จแลจ้วจุติต่อได้เลยหรือผวังขั้นอีกหน่อยจตุติต่อได้เลยทั้งหูเหมือนกันจตุติต่อจากชวาวนะก็ได้ต่อจากตาธารมณะก็ได้ต่อจากผวังก็ได้จมูกลิ้นกายใจโอ้โหแต่ละทวารเนี่ยจุติเกิดขั้นได้หมดเลยของมายัางนึกไหนแต่เราแสดงทำอยู่นะมันทักขึ้งบินมันตกมาโครมตกตรงคนเดียวพอนะไอดี ID แน่เลย อ, อะ่ะ <laughs> คนตกไปคนเดียว เอาเดี๋ยวคนอื่นเขายังไม่อยากไปใช่ไหมเดี๋ยวว่าชักชวนยินดีในการตายไม่ดีเป็นประราชิกเลยไม่ดี oh. นั่หลเขาไม่ให้ชักชวนในการตายนะไม่ให้ภาลนาคุณแห่งความตายไม่ได้นะเป็นนบัติถ้าเขาไปเกิดฆ่าตัวตายเลยประราชิกเลยนะไม่ได้เขาไม่ให้ยกย่องคุณแห่งความตายไม่ให้ขุภรณนาคุณแห่งความตายเหมือนกันอันหนึ่งที่สุดายพรากกายมนุษย์จากชีวิตนะหรือสแสวงหาสาตราอันจะนําเสียให้แก่ชีวิต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 ไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ขึ้นดอยอินทนนท์ก็ดูชมนกชมไม้เราไม่เห็นสนุกอะไรเลยถ้ามาปฏิสันที่ตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นไปชื่นชมดูต้นไม้ใบหญ้าอย่างโน้นอย่างนี้ไอ้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นเราก็พบใหม่ทั้งนั้นเลยมันนีช้ชักไม่สนุกละไฟมันจะไหม้บนทิษะอยู่เรื่อยเรื่อยรอยืแต่ถามว่าความคิดนี้ควรเจริญหมพระองค์บอกว่าสอนให้เจริญสัพพะโลเกอณฑิรตาสัญญา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 ภัยของการไม่เห็นภัยในวัฏฏะจะมีอะไรต่อไปวิบากของการยินดีในวัฏฏะคืออะไรต่อไปทีนี้ถ้าเรามองแช่ชีวิตเราเราอาจจะมองไม่ออกไอจอมปลวกแต่และจอมปลวกนะช่วงต้นหูเวลาฝนตกนะ่ะมันบินขึ้นเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์มันขึ้นกันหอกปื๊บเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะ่ะถามว่ามันกี่พันตัวบินขึ้นแต่และจอมปลวกเนี่ยโหมากมายมหาศาลโออาบายนี่มีมากมายมหาศาลเลยนะ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 อยู่เฉยๆเนี่ยไม่น่าตายมันกว่าตายเสียนท่านั่งอยู่ชฉยๆยยังขาดเลยพี่สันต์ตารรตองอ่ะนะพระพุทธรูปยังคอหลุดเลยถ้าเสียนยังกิ้งไปเลยอก็พระองค์นั่งอยู่ชฉยๆก็ยังๆๆยังยังลดอะ่ะแล้วพวกเรานั่งอยู่อย่างนี้อที่ขับรถที่บ้านอุโมงค์อ่ะเครื่องบินก็ตกในน้ําตรงนั้นน่ะถ้ามันตกข้างๆกุฏิจะว่าไงมีอะไรแน่สักอย่างโลกนี้เอา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 แต่ว่ารถชนกันตายนี่ในข่าวกับทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งรถจากอุบลอะ่ะที่ที่ว่านั่งรถจากอุบลประมาณตีสี่และตีห้าอยู่แถวกระ บ, บินบุรีทีนี้ตอนหลังก็เข้าเขตพนมสา ร, รคามอะ่ะตรงโคง้งตรงเขาหินซ้อนเลยเขาหินซ้อนมาระยะนึงอะทีนี้วันนั้นเนี่ยฝนตกด้วยทีนี้เรามากับรถกู้ภัยพอดีเลยบ้านโยมแถวนั้นเขาเขาทํางานกู้ภัยกันทีนี้มาก็ คนเนี่ยไทยมุงเต้ไปหมดเลยมาก็ลงไปอกู้ภัยนี่ก็ลงไปช่วยเพราะมันเขตเขาพอดีเลยแต่็แล้วเราก็ลงไปนะมันสมองเนี่ยนะมันตกแผลอยู่เท่าทางกลิ่นละคาวคลุ้งไปหมดเลยนะเด็กคนหนึ่งเนี่ยก็เด็นไปตกทั้งโน้นตกไกลามากอันนี้รถรถกระบะเนี่ยนะหลังคาเนี่ยหลุดไปหมดเลยหลังคาเนี่ยหลุดไปหมดเกลี้ยงเลยอ่าคนพิจิตรคนคนพิจิตรเขาไปซื้อของที่อารัน เพื่อที่จะมาขายที่กรุงเทพระหว่างตีสี่เนี่ยรถพ่วงมันก็แซงกันมาพอดีเลยมันก็ใสยเข้าไปตายเยอะเมกันบาทเจ็บก็ไม่น้อยที่สังเวชใจมากก็คือมันสมองเนี่ยมันตกอยู่ตรงนั้นพอดีเลยข่าวคลุ้งไปหมดเลยนี่เราก็ต้องไปยืนดูกับเขาโอ้ได้สังเวชใจเหมือนกันท่านเหตุปัจจัยแห่งจุตินี่มีมากเลยคือถึงเราจะคิดหรือไม่คิดยังไงไปแน่ไปไหนแล้วครั้นี้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 เตือนขึ้นมาเข้าสู่ความร้อนอกีกเพราะว่าเขาเนึกว่าลงไปอาบฉันคิดว่าเออการไปผ่อนคลายเหล่านั้นคือการแก้ปัญหาที่ไหนได้นั่นแหละคือไปสร้างปัญหากลับมาใหม่ฟันในขณะที่ไปตากอากาศนะน้อยคนนักที่ไม่ร่วงทุจริตกรรมด้วยผู้ชายทั่วไปสุราก็จะเข้ามาและอย่างอื่นมันไม่อยู่แค่เล่าหรอกมุสาวาศเนี่ยโหดนั่งคุยเรื่องจริงคุยได้ไม่นานหรอกเชื่อ เว้นไว้แต่เรียนธรรมามาเยอะๆจะคุยได้นานหน่อยที่เหลือมุสาเกิบทั้งนั้นนั่งโกหกสัมผัสปลาปะสอเสียดปิสุนาวาจาพุทธสวาจาโอ้ยมแมลงเอ้ยพวกสัตว์เดรัจฉานอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเลยนะทั้งตัวเงินตัวทองอะไรอยู่แถวนั้นนักก็ไม่รู้ในแถวงวงเล่าวงตุราท่้นบาปอกุศลมันเกิดมากมายมหาศาลเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดโทสะต่ออันชีวิตก็เป็นไปอยู่ในลักษณะนี้ตลอดเพราะ อจากโยมผู้การกล่าวอย่างนี้ทําให้เห็นว่าถ้าไม่มีสารณะคนไม่มีสารณะจะเป็นอย่างนั้นคิดจะทําอย่างหนึ่งพลาไปได้อีกอย่างหนึ่งคิดจะสบายอีกอย่างหนึ่งพลาไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เชื่อไหมว่ากุศลจิตเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการพักผ่อนดีที่สุดทํำยังไงกุศลจิตจึงจะเกิดขึ้นปัจจัยอะไรที่จะเป็นปัจจัยให้เรากุศลจิตเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีกรรมมศกตาดีอกุศลนีให้ผลเป็นทุกข์ใช่ไหม ถ้าเราปล่อยให้จิตไปเป็นอกุศลแสดงว่าเราสแสวงหาความทุกข์ให้แก่ชีวิตของเราตลอดเลยเราสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้ตัวเองตลอดเลยจริงนะของธรรมานี้คิดอย่างนั้นจริงๆว่าเอฮ้นี่ถ้าหากว่าเราไปปล่อยให้จิตเป็นบาปเนี่ยเสร็จแล้วต่อไปอย่าบ่นนะว่าอากุศลมันให้ผลเพราะเรายินดีในอกุศลเพราะผู้ใดยังยินดีในทุกผู้นั้นก็จะไม่พ้นจากทุกข์ถ้าใจยินดีในบาปถ้าใจยินดีในบาปอะไรจะเกิดขึ้น เพราะกรรมมันมีผลอนะ่ะเมื่อกรรมมันมีผลนะ่าจะทายัางไงเมื่อกรรมมีผลปั๊บนะนอกจากเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเป็นไปเพื่อพ้นกรรมเจริญสติปัฏฐานสี่สัมมปัฏฐานสี่อิทิบาทสี่อินสี่ห้าพละห้าพ่อชงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม้าไม่เจริญกุศลประเภทเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมถึงเราให้ทานรักษาศีลดีระดับหนึ่งถึงไปสวรรค์นนะ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 หนทางโยอหนึ่งของคนล้าเนี่ยไกลคนเมื่อยลาเนี่ยโอ้โหโยอดหนึ่งนี่ไกลที่สุดเลยแต่ว่าสังสาระแห่งสัตว์ผู้ไม่รู้พระสัจธรรมไม่มีที่สิ้นสุดมันยาวกว่านั้นเป็นไม่รู้เท่าไหร่ทุกทรมานมากกว่านั้นมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นทําอย่างไรกุศ ล, ลจิตกุศลในที่นี้หมายถึงกุศลประเภทปริญญาจึงจะเกิดขึ้นเพื่อที่จะวิจัยเรื่องชีวิตต่อไปเพราะถ้าเราไม่วิจัยอย่างนี้ปั๊บนะ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 ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองนะนะเอาแต่ละคําแต่ละคําเนี่ยมาคิดอย่างนี้ขึ้นคิดอย่างนี้สักเจ็ดตลบพับ๊บโอ้โหสว่างแป๊บเดียวเองคิดอย่างนี้ไปเรื่อยฝึกเจริญพุทธคุณบ่อยๆอารหังไม่มีกิเลสเรามีโทสะพระพุทธเจ้าไม่มีโทสะเรามีโลภะพระพุทธเจ้าไม่มีโลภะเรานี่มองเห็นอวิชชาเกิดเลยพระพุทธเจ้าไม่มีอวิชชาเกิดอย่างนี้ตรึกไปลักษณะนี้บ่อยๆพระองค์ตรัสรู้อริยสัจด้วยพระองค์เอง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 ภาษารีบุตรท่านก็ปฏิบัติตามคำสอนอันนี้พระโมกคาลานะท่านก็ดทำตามอันนี้ที่ไปเรื่อย ๆ, ๆจนถึงพระสงฆ์มาจนถึงที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ